อาจารย์ครับกลาวนมัสการครับผมอาจารย์พรคนโง่คุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับครั้งนี้เป็นรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่87แล้วครับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าทำอย่างไรให้รู้ทันความอยากครับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนเข้ารายการวันนี้อาจารย์ที่สถานการณ์บินทะบาดของพระอาจารย์เป็นปกติหรือยังครับหรือคนยังเยอะอยู่ครับอาจารย์ ก็ยังมีพอสมควรอย่างวันนี้ก็สี่ร้อยกว่าโอ้ถ้าเสาธิตาก็ประมาณนี้ปกติสามร้อยสี่ร้อยครับมันธรรมดาก็สองร้อยกว่าครับผมแสดงว่าเริ่มปกติแล้วครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับก็พระอาจารย์สอนมาหลายครั้งว่าเอ่อความอยากจะไม่เกิดความทุกข์ครับก็รู้อยู่ครับแต่ว่าหลายทีก็ตามไม่ทันครับแล้วก็ไปอยากแล้วแล้วก็บางที แล้วก็ได้รับความทุกข์ทันทีหรือบางทีก็หลงไปทําตามที่เราอยากด้วยแล้วก็ทุกตามมาวันนี้ก็เลยอยากจะขออุบายพระอาจารย์ว่าเราจะรู้ทันตั้งแต่ต้นทางนี้ให้สติมันไวๆนี่เราต้องทําอย่างไรครับรอาจารย์ครับกลับของความเมตตาครับเราต้องดึจงจิตของเราให้กลับเข้าไปที่ที่กิเลสที่ความอยากมันเริ่มต้นความอยากมันเริ่มในใจเราอยู่ข้างในแต่ใจของเราจริตของเราเนี่อยู่ข้างนอก อยู่ที่ลูกเสียงกลิ่นรสปวดท้อะอยู่ที่ราบยศสรรเสริญเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดมันเกิดที่ใจแต่ตัวเราอยู่ข้างนอกใจมันก็ไม่ทันมันเลยใช่ถ้าคุณหมอคุณหมอไม่อยู่บ้านเนี้แล้วขโมยขึ้นบ้านเนี้คุณหมอจะไ่ตามจับขโมยทันไหมไม่ทันครับนะครับครับคุณหมอต้องอยู่บ้านเลยต้องอยู่ในบ้านอย่าออกไปข้างนอก นี่คือปัญหาคือใจของพวกเราไม่ยอมอยู่ข้างในกันชอบาอกไปข้างนอกชอไปออกไปทางตาหูจมูกยื่นกายหลวงพ่อวิชาเป็นตัวสั่งไปอวิชาปฏิยาสังขารสั่งให้ปรุงแต่งไปข้างนอกไปหาภาพลดสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดก็เลยต้องวิญญาณก็เลยวิญญาณก็เลยส่งออกไปที่ตาหูจมูกยื่นกายก็ไปสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นลดนต่างๆ พอไปสัมผัสเกิดเวท น, นาก็เกิดปัญหาความอยากขึ้นมาอันนี้ปฏิจจสมุปบาทนีวิถีแนวทางที่จะแก้ความอยากหยุดความอยากได้ต้องทันความอยากก็คือต้องดึงใจกลับเข้ามาอยู่ในบ้านดึงใจกลับเข้ามาข้างในเหมือนถ้าคุณหมออยากจะจับขโมยให้อพยขึ้นบ้านคุณหมอต้องอยู่บ้านคอยเฝ้าไว้เดี๋ยวพอขโมยมาปั๊บมัจับได้ทันทีเลย แต่ถ้ามีกล้องวงจรปิดแล้วแต่ไปอยู่ข้างนอกถึงแม้จะเห็นขโมยก็จับมันไม่ได้ดังนันต้องกับต้องมาอยู่ในบ้านต้องเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมอะไรก็ได้เตรียมกําลังคนเมื่อไร ي, มาช่วยกันคอยจับดงั้น <Okay. S 1> สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือจะจั บ, จบความอยากหยุดความอยากก็คือเราต้องเข้าสมาธินั่นเองดึงใจให้กับเข้าไปข้างในให้รวมให้ ให้ย่งใจให้ออกจากรูปเสียงกลกิ่นรสกลิ่ทัด้วยการเจริญสติพุโทโธพุโทโธหยุดะหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งที่จะคอยปรุงไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเราใช้พุโทโธพุโทโธดูลงมายใจออก็ไม่ปล่อยให้ใจคิดได้ใจมันก็หยุดคิดสังขารก็หยุดคิดพอหยุดคิดใจก็รวมเข้าไปสูตสต่ตัวรู้สัพกแต่ว่าเราจะตร่น เราก็อยู่กับความสงบนิ่งสงบของใจเป็นเหมือนน้ำนิ่งถ้าเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมานี้จะเห็นทันทีว่ามันจะทำให้ใจกระเพื่อมใจกรใจกระเพื่อมปั๊บอ่านรู้แล้วเนี่ยความอยากมาแล้วก็ใช้สติหยุดมันหรือถ้าใช้ปัญญาปหยุมันน่าจะหยได้อย่างถาวรพิจารณาตายรักในสิ่งที่มันอยากได้ว่ามันไม่เทีย่ยง เราสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ทําให้มันเที่ยงไม่ได้มันจะต้องมีการสิ้นสุดมีวันพราช่าจากกันอันนี้ก็จะอยุ่ความอยากได้อย่างถาวรท่านแรกต้องกลับเข้าไปในบ้านต้องกลับเข้าไปในที่เกิดเทตุที่เกิดเทตุคือที่เกิดของตัณหาความอยากก็เกิดขึ้นในใจเรานี่มันไม่ได้เกิดที่รูปสียงกิจต้นนะใช่ไหมรูปสียงกิจต้นไม่มีไม่มีความอยาก แต่ใจมันไปเห็นด้วยเสียงจิตตอนนั้นเขาไปอยากเข้าแต่ตัวอยากมันอยู่ในใจแล้วก็พอเกิดความอยากแล้วสังขายก็สั่งให้ใจให้สั่งให้ร่างกายไป้วเอาสิ่งที่อยากได้มาสัง่งด้วยสั่งให้ไปพูดสั่งให้ไปทำเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้แต่ตัวที่สร้างความอยากตัวอยากนี่ไม่อยู่ในใจเราเราไม่อยู่ ในใจเราเราไปอยู่ภายนอกกันวันวันหนึ่งเราเติ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พุ่งพวดไปั้างนอกนะในห า, ล, น ล, ห า, ล, าลูกเสียกินเวาไปหาหน้าด้วยสอรสุยกันเราก็เลยไม่ทันความอยากไม่รู้สึกได้ทํ้ว่าความอยากเป็นตัวปัญหาครับที่ว่าถ้าไม่มีความอยากเราจะอยู่ได้อย่างไรบางคนเคยเถียงว่าโลกนี้ถ้าไม่มีความอยากมันจะจะเป็นได้ไง เพราความอยากมันถึงทำให้เกิดสิ่ตงตต่างปรากฏขึ้นมามนุษย์สร้างสิ่งต่างเพราะความอยากใช่เมันจเจริญทางด้านวัตถุแต่มันไม่ได้ทำให้จิตใ จ, จ, จเจริญไม่ได้ทำให้จิตใจสุขครับทำให้จิตใจทุกมากขึ้นไปคนที่ไม่เข้าใจหลับทำมี้จะไม่เข้าใจเรื่องใจจะมองไปที่ด้านภายนอกด้านลับ นานวัตถุข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆถ้าไม่มีความอยากทุกคนไม่มีความอยากก็ไม่มีใครไปทำมาหากินอยู่บ้านปลูกข้าวอาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเศรษฐกิจพอเพียงมันก็ไม่ต้องมีรถไฟรถอะไรรถรถยนต์ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่บ้าน ป, ปลูกมีปลูกข้าวได้ก็กินกินข้าวปลูกผักกินเนื้อปลาก็อยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> อยากใจสบายใจมีความสุขใจไม่เครียดครับอันนี้คือความความเจริญทางด้านจิตใจต้องต้องไม่เจริญทางด้านวัตถุถ้าจะถัดเดินทางด้านวัตถุนี้แสดงว่าจิตใจเสือ่อมเสื่อมด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยา ก, กตา่างๆแล้วก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาไม่ช้ก็เร็วก็า จ, จะไปทำบาปทำกรรมทําสงครามกันเนี่ยที่ทําสงครามกันก็ว่าไปแกล้งแย่งสิ่งต่างๆที่ดีในเรื่องนี้แย่งดินแดนกั น, น, นก็เลยไปฆ่าฟันกันเป็นบาปเป็นกรรเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหยุดการหยาดเราต้องทาสมาธิก่อนค <Okay. S 1> ต้องเจริญสมาธิเจริญสติสตดึงใจให้ก้อนใน ทำใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิพอใจาสงบเป็นอัปปนาสมาธินี้ใจก็อยู่กับใจนะจะเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆพอออกจากความสงบปับ๊บพอเริ่มคิดก็เห็นละพอคิดไปทางความอยากก็รู้ทันทีเพราะมันจะทําให้ใจกับเครื่อมถ้าคิดไปในทางไม่อยากมันถ้าคิดไปในทางทามันไม่กับเพื่อมถ้าคิดไปได้วยเหตุด้วยผลนี่ไม่กับเพื่อมถ้าคิดไปด้วยาอารมณ์ ความอยากความชอบมันจะกระเพื่มขึ้นมาทีหรือความชังแล้วมันก็มาทําลายความสงบทําลายเือไปขาที่ได้จากความสงบก็จะรู้ว่านี่แหละคือตัวตัวกิเลสไม่ต้องไม่ตไม่ไม่ันไม่มีชื่อบอกว่ามันเป็นกิเลสแต่เราจะรู้ว่ามันจะ็นกิเลพราะมันทําให้ใจเรากระเพิ่มทำให้ใจเราไม่มีความสุขมันทําลายความสุขที่ได้จากความสงบของเรา เราจึงต้องกาจัดมันกำจัดท้าววนก็ต้องใช้ใจรักพิจารณาสิ่งที่มันอยากเช่นอยากจะมีแฟนก็พิจารณาว่าแฟนเที่ยงไม่เที่ยงเราสามารถทําให้การเป็นเหมือนตุก๊กตาได้ไหมทาตามคําสั่งเราทุกเวลาได้เปล่าได้ไหมทำไม่ได้นหบ่ๆเขาอาจจะทำเพราะเขาชอบเราเขาอยากได้เราก็าทําตามคำสั่งเราครับ แ, รแล้วพอได้เราแล้วทีนี้เขาก็ไม่แคร์เราก็ครับ ถ้าไปสั่งให้เขาทําอะไรนี้เขาไม่พอใจเขาก็ไม่ทําำว่าก็ไม่ทําแล้วก็โกรธแล้วก็ทุโขึ้นงานเองไม่มีอะไรเที่ยงคำวิจารณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรามันไม่มันไม่เหมือนเดิมมันมันไม่เหมือนตอนต้นตอนต้นหวานเจี๊ยบเลยแต่ต่อไปแล้วมันก็ค่อยหายไปความหวานความขมมันกลับเข้ามาแทนที่ เพราะมันไม่เที่ยงแล้วเราทำให้มันเที่ยงไม่ได้อนัตตาแปลว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปทำให้มันเที่ยงไม่ได้มันต้องเปิดปลตามธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข่แต่เราก็ต้องทนอยู่กับมันไปเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกใช่ไหมใช่ครับขอให้มันดีมากกราไม่ดีก็แล้วกัน ถ้ามันไม่ดีมากกว่าดีก็ในที่สุดก็ต้องเลิกบ้านกันไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ อ, อาจารย์ครับแสดงว่าตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวกั้นถ้าถ้าพูดถึงปฏิจจสมุ ป, ปบาทในสมาธิก็ไปกั้นตรงผดสะไม่ให้เกิดเวทนาอย่างนั้นใช่ไหมครับอาารไม่กัน้นหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นอ่าก็ในขณะที่อยู่ในสมาธิเนี่ยมันหยุดการทํางานเขาปฏิจจสมุ ป, ปบาทครับเพราะะฉนั้นสังขารไม่ทํางานอ๋อ ไม่มีกระบวนทำงาน <มา S 2> จิตก็ไม่ออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสตาหูใมังเล่นกายมันไม่ไปอย่างนั้นนั่นตัณหาเวทนาก็ไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดแต่มันมีการหยุดแบบชื่อ ข, ข่าวผมไม่หยุดแบบถาวารพอจากสมาธิมาปั๊บปัเริ่มคิดปร่งแต่งอวิชาก็ก็เป็นครับสั่งให้โปงไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาล่ามยศสารเสริญเดันั้นพอเราออกมาแล้วถ้าเราจะกำจัดไอตัวปัญหาคือ คือตัวตัญหานี้เราก็เราใช้ปัญญาเวลามันไปสัมผัสรูปสื่อกินทอนแล้วเกิดเวทนาซึ่งเวทนาก็เกิดความอยากได้ครัาเกิดความอยากได้แล้วก็เราใช้ปัญญาเวทนาสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของชั่วคราวมันได้ความสุขชั่วคราวเดีย๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแล้วหมดไปพมื่อมันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปสิ่งที่ได้เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ให้เห็นทุกข์ ในส่งที่เราอยากได้เพราะมันไม่เที่ยงแล้วเราไม่สามารถทํามันเที่ยงได้มันเป็นอนัตตาพอเห็น อ, อย่างนี้แล้วก็ก็จะหยุดความอยากทำผัดเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปเหันรู้ก็เฉยได้ยินเสียงก็เฉยเสียงชมก็เฉยเสียงด่าก็เฉยถ้าไปกับความอยากฟังนี่อยากไม่ฟังขึ้นมาก็าจะเกิดความทุกข์เกิดตัญหาขึ้นมา ถ้าเกิดไปชอบนึกชันมันก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นเกิดความอยากเมื่อเกิดความทุกข์เกิดความดิ้นรนผมผมฟังนี้ก็เห็นเห็นจริงตามพระอาจารย์แต่ว่ามันก็เป็นแค่ความเข้าใจโดยหลักการครับาาอาจารย์ต้องให้ได้สมาธิมันจะเห็นจริงเห็นจ<ม>ริงการปฏิบัติเนี่ยต้องผ่านการสมาธิคือข้ามไปไม่ได้ต้องผ่านสมาธิต้องให้ได้สมาธิ ถึงจะเข้าใจหลักต่างๆจะเข้าใจหลักจิตหลักอะไรต่างๆมันอยู่ในสมาธิหลักธรรมเนี่ยทั้งข้างสมาธิในีคือหลักธรรมหลักจิตหลักใจสมาธิารครับนกครับวันนี้ได้ไ ด, ได้ได้เข้าใจแล้วครับว่าต้องไปดักต้องต้องมารออยู่ในใจของเราต้องมารออยู่ในบ้านของตัวเองครับเอเนี่ยเราไม่ยอมเข้าไปในบ้านไม่ยอมนั่งสมาธิแต่มองจากข้างนอกครับ <c> ผ <oughs> <c oughs> ที่มองจากกล้องงมตอนปิดจริงๆด้วยครับอาจารย์จริงๆครับครับอาจารย์ครับผมจะนําไปฝึกปฏิบัติต่อไปนะครับพาจารย์ครับรบขอบคุณครับเอฝึกเสถียรมากๆไปเปรกเมื่อเมืบ่อยๆนับ่งสมาธิทําจิตให้รวมได้ถ้าจิตลมสักครั้งเดียวเราจะเข้าใจครับจะเห็นตัวจิตเห็นการทํางานของจิตเห็นสังขารเห็นกิเลสเห็นธรรมะต่อซู่งกันในจิตนี่แหละ เห็นอนอะรน่าสัต์สี ia, a. ทต่อสู้กันไิเลยก็พยายามจะเปลดความทุกข์ปัญญาก็ไปมากก็พยายามปลดก็พยายามดับความทุกข์ด้วยการพิจารณาตายลักครับผมโอถ้าได้สมาธิแล้วมันจะมันจะสนุกนะมันจะได้เหมือนขึ้นเวทีแล้แลวได้ไปเจอเห็นของจริงนะไม่ใช่เป็นเป็นสัญญาความจําเรื่องความนึกคิดไม่ใช่เป็นจินตนาการเห็นชัดชดเลย เป็นคู่ต่อสู้ันเกิละวามกิเลสกับท่านกับมพระคุณอาจารย์ครับแต่ผมจะไปฝึกให้มากขึ้นนะครับ ม, มีคำถามคล้ายๆคำถามที่ผมถามครับอาจารย์สมพรบอกว่าเราจะควบคุมความอยากกิเลสได้อย่างไรครับก็บนั่งด า, ดาสายสติในเบื้อนตนก่อน ส, สติคอยควบคุมความคิดเพราะความคิดเป็นเครื่องมือของกิเลสถ้าไม่คิดกิเลสก็ทำงานไม่ได้ แต่พอไปคิดถึงอะไรเข้าก็อยากได้ไม่อยากได้ขึ้นมาทันทีเฉนั้นถ้ามันเกิดความอยากมึ่งหน้ก็ใช้พุทโธพุทโธบริกรรมไปจนกว่าความอยากจะหยุดไปแต่มันก็จะอยากมันก็จะหยู่แบบชั่วคราวพอหยุดบริกรรมเดี๋ยวพอไปนึกถึงสิ่งที่อยากได้ก็ก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกถ้าอยากจะให้ความอยากในสิ่งนั้นหมดไปก็ต้องเห็นพิจารณาสิ่งนั้นว่าเป็นปายรักใหได้ ไม่ว่าจะเป็นราษยศแสนแสนไม่ว่าเป็นเป็นสัตว์เป็นบุนนคคลเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ไม่เป็นตายรักหมด <Okay. S 2> อยากเป็นนายกก็พิจารณาว่านายกก็ไม่เทีย่ยงได้เป็นก็ไม่กี่ปีก็จบดีไม่นีอาจจะหมดก่อนมารากขาได้พอหมดก็จะทุกข์ไม mm. ่มีใครอยากจะหมด mm. อยากจะให้มันต่อไปเรื่อยๆ เบื่องฉลาดทุกอย่างว่าเป็นตายล้ายหมดจากคุณรัฐจุงครับกลับเป็นพระอาจารย์เราควรจเจริญเมตตาภาวนาอย่างไรถึงจะถูกต้องครับก็เมตตาภาวนานี่มีสีลักษณะด้วยกันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เหอันแรกท่านบอกให้อภัยไม่จองเวรก็เวลาเกิดมีประทัดคาลงกับไทยเกิดมีปัญหากับใคย ก็อย่าไปมีเรื่องเวลาแล้นะให้ไภัยเปไปยกเลิกเป็นไ ป, ย อ, นไปอย่าไปอย่าไปแจ้งความอย่าไปเอาเรื่องเรื่องยมอยมยอมเสียหายอยอมรับความเสียหายไปอย่าไม่อยากจะสร้างเวรสร้างกรรมเห็นเขาชนเราเขาผิดแล้วก็เรามีประกันก็ไม่อยากที่จะไปอาจจะเดือดร้อนแล้วเราไปแจ้งความอะไรกันเรานี้ยเขาก็เป็นเงินอาจจะเป็นคนหาเช้ากินข้า สงสารเขาก็ว่าไป ไ, ปไม่เป็นไรให้อภัยกันไปเราก็มีประกันแล้วก็ไม่เดือดร้นหรือไม่มีประกันแต่เรามีเงินจ่ายค่าซ่อมถ้าเราอยากจะอยากจะมีความเมตตาแล้วก็สงสารเขาเพราะว่าเขาก็อาจจะมีเรื่คหนึ่งมีอหารช้าทิ้งขํามอาหารอาหารอะไรขาดใช้จ่ า, จตายต่างจะไม่พอใช้ก็ได้เราจะนำมาใช้นี่ให้กับเรอยซึ่งเรามีเงินเหลือเครือนะครับ เราไม่เดือดอนถ้าเราต้องซ่อมรถที่เขาเขาชนเราอันนี้ยกตัวอย่างถ้าเราอยากจะเมตตาเขาก็ให้อภายเขาไปไม่เป็นไรแล้วเขาจะไม่โกรธเราเกียดเราเรื่องนี้ไม่ดีเขาจะนักรของรถเราในความเสียสละของเราไปนะในข้างหน้าถ้าเกิดเขามีโอกาสที่จะทำอะไรให้กับเราได้เขาอาจจะทำให้เราก็ได้ในวันข้างหน้าเราอาจจะไปอยู่ใ น, นการที่ต้องการความช่วย แต่ถ้าก็เห็นเราเดือดร้อนก็พอเขาจะช่วยเรยได้เขาอาจจะเข้ามาช่วยเราทันทีแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยไปจํางเวรไปฟ้องร้องไปไปเอาเรื่องราวเขาเขาจะเขาจะจ้องเวรจ้อกรรมเราโอเคราน้าถ้าเห็นเราเดือดล้อนเขาจะไม่ช่วยเราดีไหมอันนี้ไม่ได้ว่าช่วยลงประเทียด้วย <laughs> <c oughs> นะอันนี้เกิดลักษณะหนึ่งก็ ของการแผ่เมตตามีสีสี่ลักษณะด้วยกันอันแรกถ้ามีเรื่องมีราวกันก็ให้อภัยกนอย่าไปจองเวรจองกรรมอันที่สองก็อย่าไปเบียดเบียนกันคืออย่าไปกระทําอะไรที่สร้างความเสียหายให้กับผู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นเราจัดงานปาร์ตี้ก็อย่าไปเปิดเสียงเพลงบรรดายนใหข้างคนเพื่อนบ้านนอนไม่หลับมีข่าวข่าวอยู่เรื่องเจัดงานกันกินเหล้าวบลกัน ทำให้คนที่เขาอยู่ข้างบ้านนี้นอนไม่หล่บเราะบางทีเขาต้องตื่นแต่เชา้าไปทำงานไอเร า, ย, า 2, ยังตีสองตีสามยังยังโวยวายอยู่ก็นอนอไม่ได้อันนี้เราจะทำอะไรอยาให้มันมีคนมาทุบกับผู้อื่นอันนี้ก็ไม่เบียดเบียนกันอันนี้ยกตัวอย่างข้อที่สามก็คืออยากไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้เมื่อทีพูดถึงอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของ อะไรอย่างนื่นแม้แต่ร่างกายกับจิตใจเขก็อย่าไปทําร้ายก่นเช่เวลาโกดกันก็อย่าไปทุบตีกันอย่าะไรแล้วข้อที่ 4, ส ross, ี่ให้ความสุขต่อกก็คือให้เป็นให้เป็นเป็นซันตะครอสไงให้ความสุขกับพู้มีอะไรแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปอย่างสมมติหมอปีเดียวนี้ปีนี้หมอได้กําไรมากก็เลยอาจจะให้โบนัสกับลูกน้องหรือใครที่มาช่วยงานก็ได้ ให้ความสุขกับเขาอันนี้ก็เรียกงใยวิธีแผนไม่ตา่ามีอยู่ีลักษณะด้วยกันไม่จองเวรกันรือให้อภัยกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันและให้ความสุขต่อกันคุณปิยรัตน์ครับความบังเอิญทางพระพุทธศาสนาว่วาไม่มีจริงใช่ไหมครับอาจารย์ าพุทธศาสนามองทั้งเรื่องเหตุเรื่องผลเั็นหลัะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุคุณหมอเข้ามาที่นี่เขาก็บอกหมอมีเหตุเข้ามาที่นี่เราก็มีเหตุให้ทำให้เราเข้ามาที่นี่เราจะอาจจะเรียกว่าเป็นการบังเอิญก็ได้เพราเราไม่ได้นัดหมายกันมา ก, ก่อนแต่มันก็มีเหตหุหมอมีเหตุไปตลาดแล้วอีกคนหนึ่งก็มีเหตุไปตลาดเหมือนกันแล้วไปเจอกันที่นั่นแล้วก็บอกเออไม่ได้นัดกันบังเอิญมาเจอกัน อันนั้นเป็นเพียงการพูดตามหลักของของชาวบานมัใช่มันเป็นบังเอิญเพราะเราไม่ได้นัดกันแต่ทางศาสนาไม่ได้บอกว่ามันเป็นบังเอิญมันเป็นมีเหตุคุณมอมีเหตุไปตลาดเราก็มีเหตุไปตลาดแล้วไปพบกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันดังนั้วก็เรียกว่าบังเอิญที่เราได้มาพบกันคุณนิพาค่ะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ สร้อยแหวนนาฬิการถที่ดินอะไรต่างๆลูกไม่อยากแล้วแต่ทําไมลูกยังมานั่งค้าขายทุกวันไม่ได้หยุดเลยแต่งานลูกอยากทําค่ะทําได้ทุกวันค่ะเพราะว่าลูกอยู่เฉยๆยยังอยู่ไม่ได้อยู่เฉยแล้วมันาําค้างมันเครียดขึ้นมาก็เลยต้องมันเหมือนคนติดนะติดยาเสพติดไปเสพยาเสพติดก็ต้องเสพเนื้อเลย เ, ลยเคยเดื่มกัาแฟก็ต้องดื่มเนื่อเลเคย เดือมหน้าก็าต้องเดือมเลยแอลกอฮอลเล็กนะเตดกะเติดสุลาเขาเล่แอลกอฮอลเพวกติดงานเขาเลี้ยงว่ากแฮอลเ็กนะครับติดงั้นถ้าอยากจะหยุดต้องหาหงานยงอย่างอื่นมาทําก็คือมาม า, มาหัดภาวนาเปลี่ยนงานมาฝึกเดินสติมามาฝึกเจริญสติเดินจถ่อมนนะ้่งสมาธิถ้าเราได้งานใหม่แล้วแต่แล้วต้องเริ่มงานเกนะ่าได้ คุณมาริสาครับเวลานั่งสมาธิความคิดเกิดดับฟุ้งซ่านและใช้วิธีสัมรวมใจและเฝ้ามองความคิดของตัวเองค่ะขอความไม่ตาพระอาจารย์ค่ะคือมองความคิดแต่มันมันไม่หยุดครับคิดนั่นกวมันกวนจะไปคิดตามมันหมองไปแล้วเดี๋ยวก็คิดคุยกับมันไปก็ไม่มีวันหยุดได้วิธีจะหยุดก็คืออย่าไปให้มันคิดให้มันให้มันคิดอยู่กับคำอะไรกับพุทโธพุทโธเ เนื้อให้มันเท่าดูลมหายใจถ้าเท่าดูลมได้ก็ดูลมหายใจให้ว่าให้เบนความสนใจมาอยู่ที่ลมหายใจอย่าไปอยู่ที่ความคิดหรือถ้านดูลมหายใจไม่ได้ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนแต่ไม่ให้มันคิดยิ่งถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วไปดูมันมันก็ยิ่งไม่มีวันอยู่การทำสมาธิก็หยุดความคิดไม่ให้ดูความคิดดูความคิดแล้วหยุดนั้นไม่ได้ต้อดูอย่างเดียว ดูลมหายใจเนื่อดูบริกรรมพุโทโธพุโทโธความคิดมันถึงจะอยู่ได้คุณนารินครับถ้าคนมีมิจฉาทิฏฐิบูชาพระพุทธรูปมาให้เราเราควกรกลับบูชาพระพุทธรูปนั้นหรือไม่ครับเราจะไปทำอะไรกับพวกท่านรูปนั้นก็ได้มันเป็นสิทธิของเรา น, นอกจากว่าท่านก็มีเงื่อนไขว่าให้เราไปบูชาแล้วก็บอกว่าเราเราไม่ต้องการเราก็ต้องปฏิเสธไป เพื่อที่เราจะได้ไม่ไม่ผิดผิดเกินข่ายเราแต่ก็ให้มาเราไม่มีเงื่อนไขเราจะไปตั้งไว้เฉยๆเราจะไปให้คนที่ก็ชอบพระพุทธรจ้ก็ได้คนอื่นก็ได้ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่บูชาก็ไม่เป็นไรคุณเกาะแก้วครับฝึกนั่งสมาธิที่บ้านแล้วเกิดอาการปวดหัวเป็นเพราะเราตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าครับไม่หรอกเป็นเพราะว่าใจของเรายัางยังฟุ้งอยู่ นอกจากที่จะหยุดมันนี้มันทําให้เกิดอาการต่อต้านของใจมันก็เลยสร้างอาการปวดศีรษะบ้ง่งปวดแน่นหน้า อ, อกบ้างเจ็บตรงนั่งปวดตรงนี้บ้างางั้นถ้าเรานั่งแล้วดูลมไม่ได้มันทําให้เราเครียดทําให้เกิดอาการปวดวัเราต้องฝึกสติด้วยการสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปก่อนสวดไปายาสวดไปสักครึ่งชั่วโมงเนี้ยนอ อาจารย์อการความพุ่งสร้างคขาพิจต่างๆมันจะเบาบางลงจะช้าลงอ่อนกำลังลงแล้วมันอาการที่มันจะทำให้เรามีอาการปวดหวัวก็จะไม่มีเวลาที่เราดูลงหายใจเข้ารู้บริการพุทธโถคุณสมพรครับวันนี้โยมสั่งซื้อนังสือธรรมะจากเฟซใจหนึ่งก็รู้สึกซื้อตามกิเลสใจหนึ่งก็เห็นว่าไม่อยากให้นังสือดีๆหลุดลอยไปจึงคว้าซื้อมา อย่างนี้ถือว่าโยมซื้อด้วยความอยากด้วยกิเลสหรือเปล่าครับคือถ้าเป็นธรรมะนี่มันไม่ถือว่าเป็นกิเลสเพราะธรรมะเป็นเหมือนยารักษาใจไม่ใช่มาทำลายใจมีการอยากซื้อธรรมะอยากอ่านหนังสือธรรมะอยากฟังเทศน์ความธรรมนี้ถือว่าเป็นมกักทางสู่การดับกิเลส คันเวลานิดหนึ่งนะคะพรอาจารย์คุณวรรณภ า, าบอกตั้งแต่ติดตามฟังมาเรื่อยๆมีความทุกขน้อยลงค่ะเมื่อนําไปปฏิบัติถึงจะยังห่างไกลแต่ก็จะพยายามค่ะดีเราพยายามไปเรื่อยความพย า, ายามอยู่ที่ไหนครับสมัครอยู่ที่นั่นพระเจ้าทรงตรัสว่าลดทุกข์จากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเรามีความเพียรฟังไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆนัความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนในที่สุดมันก็จะหมดไป คุณพาขวัญครับถ้าเราถูกกลั่นแกล้งถือว่าผู้นั้นเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือไม่ครับแล้วมีวิธีแก้อย่างไรสครับวิธีแก้ก็คือให้อภัยเขาไ ป, ไปดี๋ยว่าใช้นี่ใช้กรรมหนเราไปสร้างเวรเราเป็นป น, นี่เขาก็ามาทงนี่เราแล้วใหกกก้ก็ต้องจ่ายนี่เท่านี้เขายหวก็ทำไปแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องใช้นี่พระโลกภรานะเถอะท่านก็ต้องใช้นี่มีคนมาตามฆ่าท่าน ถึงแม้จะมีอีกเทอรตสามารถใช้อินเทตหลบได้ท่านก็บอกหลบได้วันนี้พวกนี้เขาตามมาใหม่ตามได้ที่ก็ยังไม่ได้เก็บนี่เราจากเราเนี้ยเขาก็จะตามมาเรื่อยๆงั้นอย่าไปหนีเลยท่านก็มาก็อ้าวให้เขาทาให้เต็มที่แล้วก็พอนั้นที่ได้ทําจนพอใจแล้วเขาก็จะหยุดมาจองเวรจองกรรม คุณคาิษฐาครับการเบียนพระอาจารย์พระอนาคามีท่านยังรู้สึกเศร้าดีใจเสียใจยอยู่ไหมคะหรือว่าว่างเฉยได้หมดไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าสักแต่ว่ารู้กําลังเศร้าดีใจเสี ย, ยใจแบบนี้หรือไม่คะเราอย่าเพิ่งไปรู้เลยหรือว่าเราทํางานให้ใจเราสงบก่อนได้ทุกสติไปก่อนหนึ่มื่อถึงเวลานั้นมันจะรู้เองไม่อยากจะพูดเดี๋ยวพูดไปแล้วอาจจะผิดก็ได้ครับอั้น ขอให้ปฏิบัติไปเทนนิดนันทิติโกคุณบุญมากครับท่านลูกจะย้ายเข้าคอนโดชั้นสิที่อยู่ใกล้ทางด่วนมีรถวิ่งผ่านตลอดเสียงรถวิ่งผ่านน่าจะไม่ดีต่อการนั่งสมาธิใช่ไหมค ะ, พ ะ, ะเพราะปกติคนจะชอบนั่งสมาธิฟังเสียงน้ำเสียงนกมากกว่าครับใช่ไม่ควจะมีเสียงที่มารบกวนใจก่นไปหา ท, ท, ที่ที่สงบหรือที่เสียงเป็นธรรมชาตินี้ใช้ได้ เสียงนอกเสียงลมงพัดอะไรนี้ไม่เป็นไปต่อการจับสมาธิแต่ถ้าเป็นเสียงที่ผลิตโดยมนุษย์เนี่ยมันจะสะเทืนใจคุณกิจครับครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านจะสอนให้ภาวนาอุโทโธเมื่อจิตนิ่งอยู่ในคำบริกรรมก็จะทำให้มีสติต่อต้านกิเลสในขณะนั้นได้เป็นความเขา้าใจถูกต้องไหมครับความจริงการการเจริญคำบริกรรม นี่เคยทําให้จิตสงบให้จิตสงบนิ่งพอจิตสงบนิ่งแล้วกิเลสก็ทํางานไม่ได้ขอหาคําถามสักครู่นะครับอาจารย์มีคนเข้ามาการาบอาจารย์เต็มเลยครับคุณรักครับทําบุญกับพระที่สุ บ, บุหรี่เล่นเกมเล่นหวยเราได้บุญไหมครับคนทําได้บุญแต่คนที่รับนั้นก็จะไม่ได้บุญเขาว่า ถ้าเงินไปในไปใช้ในทางที่ผิดเงินทำบุญที่ส่วนใหญ่เขาก็สนับสนุนให้สัมมนาเทศให้เดชดำรงอยูใ่ในสัมมนาเทศได้อย่างสวยงามงการที่เราทําบุญนี้ไม่ว่าจะทำกับใค ร, เ ร, ร, ร, รเราก็ได้บุญไม่ว่าจะทำทำกับสุนัขจรจับเราก็ได้บุญแต่แต่คนที่เราไปทําด้วยนี่เขาจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่การประพฤติของเขาใช่ก็ประพฤต ดีเขาก็เขาก็ได้บุญแล้วเขาประบขึ้นไม่ดีเขาก็ไม่ได้บุญคุณสูครับขออนุญาตเรียนถามเรื่องการใส่บาตรด้วยของประนีตครับจะเป็นการทำให้พระท่านละกิเลสได้ยากขึ้นไหมเจ้าคะถ้าท่านไม่ได้มาขอเราก็ไม่หรอกมันเป็นเรื่องของศรัทธาของเราบางทีเราก็คิดถึงว่าอบท่านเของเราเราชอบของประนีต นล้ว ก, ก็เวลาเกินแล้วเราก็มีความสมแล้ว ก, ก็อยากจะให้ท่านกกจิตของปานีบ้างครับนะเราบางคนคิดว่าถใา้สิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาให้ของเร็วก็ได้ของเร็วกลับมาครับนะให้ของดีก็จะได้ของดีกลับมาอันนี้เป็นเรื่องของผู้ให้นส่วนผู้รับถ้าท่านไม่ได้กล่าวหรือขออะไรนี้ท่านไม่ไม่ไม่เสียหายแต่ถ้าท่านขอขอวันนี้ขอ เอออะไรกูปลาฉลาดหน่อยนะอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้มันเป็นเกเรของท่านนะครับคุณปียรัตครับความไม่อยากก็เป็นความอยากแบบหนึ่งไหมคะแล้วจะฝึกยังไงให้รู้ทันครับอาจารย์คือคำว่าไม่อยากนี่มันพูดยากนะความไม่อยากหรือถ้าไม่อยากด้วยด้วยปัญญาเพราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่เป็นเกเรนะแต่ความไม่อยากเพราะไม่ชอบเนี่ย ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากได้จริงๆไม่ควรพูดว่าไม่อยากมันต้องพูดอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันยังเป็นความอยากอยู่เป็นแต่ว่าอยากในวิภาะในสภาพที่ไม่ต้องการอยากไม่แก่อยากไม่ให้เขาด่าเรามันก็เป็นความอยากแต่ถ้าไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากได้ลไม่มีอะไรอยากจะอยู่เฉยๆง่ายๆเป็นธรรมละอยากจะอยู่คําว่า อันนี้เป็นธรรมะคุณเดนนิวโซฟิเชียลครับถ้าทำอะไรไปแล้วเรารู้ว่าเราไม่มีความคิดแล้วเราแค่อยู่กับความสงบไม่ต้องใช้พุทธโธไม่ต้องดูร่างกายได้ไหมเจ้าคะเราจะไปรู้นอนทำได้หรือที่ไม่มีความคิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราไม่นั่งสมาธิมันคิดอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าเท่านั้นเอง งนอย่าไปคิดว่าเราไม่มีความคิดนะไม่ต้องไม่ต้อ ง, อ ง, งป้ยนั่งพูดโธไม่ต้องดูร่าง ก, กายเป็นไปไม่ได้ถ่าังไม่มีค ว, มความคิดต้องนั่งสมาธินให้จิตรวมเข้าไปในสมาธินิ่งสงบคุณเดนิลสออฟิเชียลเหมือนเดิมนะครับเราจะสังเกตตนเองอย่างไรว่าพร้อมไปปีกวิเวกปฏิบัติเจ้าคะ่ะเมื่อเราอยากไปนะสิถ <laughs> <laughs> ้ายังไม่อยากไปก็ยังไม่พร้อมเลย นี่มีมีชาวต่างประเทศบินมาจากแคนาดามาอยู่บนเขาเนผู้หญิงบนเขาผู้หญิงขึ้นแล้วครับอสามบินมาเพื่อมาเป็ดเว่ยที่เมืองไทยเห็นฝรั่งเดินตามพระอาจารย์บินธบาตหลายวันแล้วนะครับอามี่ฝรั่งก็อยู่บนเขาแต่คนนี้ก็มาจากต่างประเทศมือกันมีทั้งฝรั่งมีทั้งชาวเอเชียกันเลยชาวสิงคโปร์ชาวมาร ครับเขารู้ว่าเขาพร้มก็ต้องาการคำวิเว้ยมาไหนล้วก็พร้อมไอครับอย่างคุณหมอขึ้นไปเปิดวิเวย้ยท น, นายคุณหมอรู้ว่าพร้อมไหอย่างนี้ไหใช่ครับ<ช> ร, รู้เองครับอาจารย์ต้องรู้เอง <c oughs> คุณมาริสาครับคนที่มีความโลภความโกรธความหลงมากๆเป็นการวางยาพิษให้กับตัวเองขอความเมตตาพระอาจารย์ขอข้อธรรมสักข้อลดความอยากลงค่ะ ขอความเมตตาครับใก็ใ้พิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพิจารณาตายรักไปเมอมันหมดแล้วมันก็าะไม่รอกุกคุณเดอะมัลติเวอร์ซัลยูนิตี้ครับถ้าไม่มีบ้านไม่มีของในบ้านโจรก็ยังไม่ยังมีแต่เราก็ไม่ต้องเฝ้าบ้านใช่ไหมครับ ไม่มีของในบ้านโจอยมันจะไปมาทําไมนะ่ะที่จอมันมามันก็มาเพิ่มจะมาของของนอกจากมันจะมาความบุญบ้านนั้วนะี่ยว่าถ้ามันต้องการบ้านจรก็ยังยังมาได้ต้องไม่มีบ้านเลยต้องอยู่คลนไม้ยอย่างเนี้ยพระเจ้าสารภาพอยู่คนลนไม้งั้นรับประกรันได้ไม่มีโจรยจะมาป้วนมาที่เพราะไม่มีอะไรให้ป้นให้จริงมีแค่ออัตถะบริขานเทานั้นที่จิตตัวพระอยู่ มีบาทอยู่ใบในเมกิวอนมีค่าสามเผืนมีเข็มเข็มขันรัดเอวมีบายนิก่อนเข็มกันน้ำและที่กรองนะ้ำนั่นถ้ามีแค่นี้เราประกันได้ไม่เป็นโจนรเราพ่นมาทีเราก็ไม่ต้องการสิร่งอเหล่านี้คําถามนี้ไม่ประสงค์ออกนามครับเรียนถามเรื่องการใส่บาดคะ่ะหลังใส่บาดความอยากจะให้พระท่านให้พรหรือให้ท่านกวดน้ําให้อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ ไม่โคลนหรากเป็นความเข้าใจเพีที่ิดว่ า, ราพระเป็นผู้ให้พรเราแต่วันนี้ผู้ที่ให้พรเราก็คือเราเนี่ยแหละาการกระทาของเราเนี่ยเป็นการให้พรตัวเราเองให้เราสุขให้เราจเจริญเพราะเมื่อเราได้ทําบุญทำทานนะเราได้สร้างบุญขึ้นมามันก็เป็นพรในตัวเราเองนะอายไปเราก็ได้ไปสวรรค์ไม่ต้องให้ใครมาเบอกมาให้พรเราให้พรก็เป็นเพียงแต่ว่าจะเป็นคําพูดเฉยๆนด้น คุณปุ้มปุ้ยครับถ้านั่งสมาธิก่อนนอนแล้วขนาดหลับจิตมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาเหมือนนอนไม่หลับแต่หลับอยู่อาการนี้จะหายไปเองไหมเจ้าคะก็หายเนี่ยเวลาจะเป็นเพราช่วงนั้นสติเราเนี่ยยังมีกาลังมากอยู่ก็เลยทําให้เรายุในความรู้สึกตัวไม่หลับสนิท ก, ก็ได้แต่มันก็ไปนานนิดจังไม่ช้าก็เลยมันก็หมดไปเองคุณพีแอลครับ ขอการาดคำแนะนําหากเวลาทํางานผิดพลาดถ้ายิ่งโดนต่อว่าจะยิ่งทําผิดรู้สึกผิดหวังในตัวเองและหยุดคิดไม่ได้จนทําให้บรรยากาศการทํางานแย่ลงควรแก้ไขอย่างไรดีคะก็เวลาใครก็ทําใครเข้ามามาตำเหนียว่าเราทําผิดพลาดแล้วควรจะขอบใจเขามาเขาเป็นผู้ชี้บอกพ่อบกพร่องของเราเราอย่ไปแาบความเสียใจหรือโกรธเขาแล้วก็เอาคําแนะนําของเขามา มามาแก้ไขความผิดพลาดของเราให้มองเขาว่าเป็นเหมือนกับเป็นการช่วยเราไม่ได้มาตำหนิเราไม่ได้มาทำร้ายเราแต่มาช่วยเราให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องต้องมีความยินดีแล้วก็จะไม่ไม่มด คุณสนันครับการเดินถามพระอาจารย์ว่าทําไมเรื่องที่อยากจะลืมแต่มันกลับจําแม่นและมันชอบผุดขึ้นมาในความคิดประจําโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ค่อยดีแต่พอเรื่องดีๆกลับจําไม่ค่อยได้ต้องทํำยังไงครับก็ต้องใช้สติเนี่ยเวลาไม่มจำเรื่องที่เราไม่อยากจะจำํำเราก็พุโทโธพุทโธไปหยุดมันได้ใช้กรรมนาิกาพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดต่างๆได้ความจำต่างๆได้คุณแสงเดือนครับ พระไปสวดในงานศพ ส, สวดให้วิญญาณคนตายฟังให้รับรู้ว่าตายแล้วและสวดส่ง ว, วิญญาณหรือสวดให้คนที่มีชีวิตอยู่ฟังคะคนส่วนมากฟังภาษาบาลีไม่รู้เรื่องคะ่ะก็ไม่ได้สวดให้ใครฟังเลยคนเพราะคนคนตายก็ฟังไม่ได้คนแต่ก็ไม่ฟังเลยแล้ฟังก็ไม่รู้เรื่องนี่ก็ถือว่าไม่ได้สวดให้ใครเลยสักแต่ว่าไปทำพิธีเท่านั้นเอง คุณทิติชยาครับวันนี้พาลูกสาวไปทานข้าวมันไก่สั่งเครื่องในไก่ให้ลูกสาวทานเขาเห็นหัวใจไก่เขาเอามาพิจารณาทําให้เขากลัวทําให้หยุดการทานและเขาบอกว่าอวัยวะภายในน่ากลัวกว่าอวัยวะภายนอกเขาสงสารไก่หนูบอกลูกเราไม่ได้ฆ่าเขาเราไม่บาปแบบนี้เขาไม่กล้าทานเราปล่อยให้เลือกทานเองไหมเจ้าคะก็เป็นเรื่องของเขาเน่ยเป็นเรื่องของเขาเมื่อเขาไม่ไม่ไม่อยากกินแล้วก็ไปบังคับเขาไม่ได้ เราอให้กินในเสิ่เดียวกินได้ครับไปแล้วครับคุณอีฟครับพระอาจารย์เจ้ า, าคะการที่เราต้องอยู่ร่วมกับคนที่จู้จี้จุกจิกเราต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะก็าาวางใจเฉยเก็ปล่อยเกาจู้จี้จุดจิกไปเอี่าไปนสนใจครับคุณวรรณภาครับลูกฝึกสติเวลาทํางานบ้านแล้วมีความสุขขึ้นเริ่มงดอาหารมื้อเย็นมาหลายเดือนแต่ตอนนี้รู้สึกไม่อยากไปไหนกับครอบครัว กับชอบที่ได้อยู่ในบ้านคนเดียวเงียบๆ เ, เวลาที่ทุกคนออกไปกินไปเที่ยวลูกคนปฏิบัติแบบนี้ต่อไปถูกแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าทําได้โดยที่ไม่ทําให้ผู้อื่นต้รู้สึกเปิดอัดหรือไม่พอใจก็ทําไปแต่ถ้าเขามีความเปิดอัดหรือไม่พอใจก็อาจจะต้องคุยอธิบายเขาฟังว่าความสุขของเราไม่เหมือนกับความสุขของเขาความสุขของเราเราชอบอยู่คนเดียวเราไม่ชอบออกไปเที่ยว ก็คุยกันได้แต่เป็นความสุขที่ถูกว่าความสุขที่อยู่คนเดียวนี่มันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ทุกข์เนี่ยเพราะมันไม่ต้องอาศาัยอะไรแต่ความสุขที่ต้องไปอาศาัยรูปเสียงกลิ่นรอาศัยที่ท่องเที่ยวนี้มันมันจะทําให้เราทุกข์เวลาที่เราขาดมันในการอยู่คนเดียวนี่มันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรขาดไปอยู่ความว่างอยู่ความไม่มีได้อป็นเป็นความสุขที่ดีที่สุด คุณปาริชาตครับกับพระอาจารย์ค่ะตั้งแต่หนูฝึกปฏิบัติกับพระอาจารย์และร่วมเข้าฟังวิสัชนาธรรมทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วหนูรู้สึกใจสงบอย่างยิ่งจึงแจ้งกับคุณแม่ว่าเมื่อวันหนึ่งคุณแม่ไม่อยู่แล้วหนูอยากจะไปบวชแต่ตอนนี้ขอดูแลคุณแม่ให้ดีก่อนคุณแม่ก็ตอบรับดีค่ะแต่ปรากฏคุณแม่ไปบอกกับคนอื่นว่าหนูจะบ้าหรือเปล่าที่คิดจะไปบวชตอนหนูได้ยินก็รู้สึกเศร้าใจนิดหน่อยแต่ก็ชั่วครู่ จิตก็กลับมาเป็นปกติแบบนี้ถือว่าหนูฝึกจิตได้ดีไหมคะหรือไม่ควรรู้สึกอะไรเลยตั้งแต่แรกได้ยินคําวิจารณ์ครับก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยได้ก็ดีแต่ว่าเราจิตเรายังไม่ทันกิเลสของเราที่ยังอยากจะให้คนอื่นก็สรรเสริญและยินดีกับการกระทําของเราอเราเําตำหนิเรารเราก็เลยเกิดความเสียใจขึ้นมาได้ก็เป็นเรื่องเรื่อง เรื่องของการฝึกสติของเราของปัญญาของเรายังไม่ทันกีรติถ้าสติปัญญาเราถ้าเข้าไปอยู่ที่เกิดเหตุมันจะไม่รู้สึกมันจะไม่รู้สึกอะไรพอมันเริ่มขยับขึ้นมาพอจะเริ่มขยับไม่พอใจปั๊บมันลุกทันทีแล้วมันก็จะหยุดได้ทันทีแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ฝึกเข้าไปถึงตรงนั้นระดับนั้นจิตเรายังไม่เข้าถึงสมาธิถึงอุเบกขาถึงฐานของจิตต้องพยายามฝึกฝึกสติฝึกสมาี่ให้มากๆ จนกว่าเราจะเข้าสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิได้ น, น, นั้นนั้นเราจะรู้ทันทันทีเวลาจิตเราเกิดความไม่พอใจเกิดความเสียใจยนี้เราจะรู้ทันทีเมื่อมันขยับปุ๊บเราก็หยุดมันได้ทันทีอย่างนี้เหมือนกับถ้าเราไม่ถึงกัอยู่ในบ้านแต่อยู่ข้างหน้าบ้านคือใจก็ อ, อยู่ใกช่ก็อย่างใกล้หน่อยเข้าไป ม, มีสติแล้วแต่ยังไม่เข้าไปถึงในบ้านนหนึ่งมาได้แค่ประตูบ้านอย่างนี้ แล้วก็วิ่งเข้าไปได้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็เปิดประตูวิ่งเข้าไปช้าหน่อยแต่ก็เร็วเวลาตอนที่ไปอยู่ตาอยู่นอกบ้านไกลๆก่อนจกลับมาถึงบ้านบ้านอาจจะพัาไปแล้วก็ได้ของเข้าของกันจะหมดไปแล้วกะไ ด, ด้ต้องฝึกสติให้มากๆนับสมาธิให้มากๆเราจะเข้าไปถึงตัวจิตแวเวลาอิเลกแ ส, สดงอาการขึ้นมาก็จะหยุดมันได้ทันที คุณวาเินไทัยครับสิทธิปฏิบัติทำแล้วเห็นธรรมชาติรอบตัวเป็นปัญญาเป็นความระยิบระยับแล้วจิตก็ผ่องใสเบิกบานมันเป็นเพียงจิตสังขารหรือเปล่าเจ้าคะปัญญามันไม่ได้เป็นระยิบระยับปัญญาเป็นการเห็งสัจธรรมความเปจริงเช่นเห็นทุกข์สมุทัยนี่รอดมากเห็นตายรักอย่าเรื่อปัญญาครังนี้เราเห็นระยิบระยับนี่มันเป็นเรื่องปูตัดคิดได้ไปเองมากกว่า คุณทพิดาครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะแนําวิธีคิดสําหรับคนที่ปีนี้ปีเกิดอยู่ในปีชงพระอาจารย์มีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับปีชงอย่างไรและควรวางใจปฏิบัติตัวอย่างไรครับปีชงไม่ดีหรอกมนันมันเราสมมติกันขึ้นมาแต่งขึ้นมาเป็นนิยายเท่านั้นเองปีมันไม่มีชงหรือปีดีปีเชื่อไม่มีปีมันก็เป็นเรื่องของทางปรากฏการณ์าธรรมชาติเท่าการ คือการโคจรของโลกกับดวงอาทิตย์มันเลยทําให้เกิดมีวันเดือนปีขึ้นมาเท่านั้ น, นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับดีชั่วนะเรืออะไรเลยดีชั่วอยู่ที่การกระทําของเราทางกายทางวาจาทางใจนี้เท่านั้นพระเจ้าดังนั้นนนคิดอย่างนี้ว่าเราดีเราชื่ออยู่ที่กรรมของเราอยู่ที่บุญที่บาปของเราเราทำบุญเราก็จะดีเราทําบาปเราก็จะไม่ดีเราเป็อันนี้แหะของจริงของแท้ ส่วนปีชงปีอะไรปีลกาปีแิวปีวอกคนปีว่าอยู่กับคนปีลกาไม่ได้นี่เป็นเรื่องสมมติแต่ ง, งขึ้นมา น, นั้นอย่างโมเมกันไปโมเมกันมาคุณวีนาครับการเรียนถามพระอาจารย์ว่ากิเลสคือตัวปัญหาฉุดให้เราทุก์มีทางเดียวคือนั่งสมาธินอกจากนั้นสามารถทําได้คือทําใจตัดใจกับความอยากได้ไหมคะเช่นเวลาไปเดินห้างอยากได้ของชิ้นนี้แต่มีแล้วอย่างนี้ครับ ถ้าตัดได้ก็ดีถ้าตัดไม่ได้เพราะที่เราตัดไม่ได้ก็เพราะเราไม่มีกำลังเราต้องไปสร้างกำลังด้วยการนั่งสมาธิสมาธิจะให้เราก็มีกำลังฝืนต่อสู้กับความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีกาลังพออยากได้ปั๊บบางทีทำใจไม่ได้ก็ต้องไปซื้อมาอาจจะทําใจได้ในวันนี้แต่พรุ่งนี้เดิไปเจอซ้ำ อ, อีกอาอาจจะหมดกำลังก็ได้ ใช่ครับเดี๋ยนี้ป๊อ ป, ปอัพขึ้นมาในบ่อยตัดใจตอนแรกแล้วก็ยังซื้อครับคุณสุจีพรครับการเริ่มฝึกสติฝึกสมาธิถ้าคิดฟุ้งไปเผลอคิดไปเรื่องอื่นต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็กลับมาใหม่กลับมาที่พุโทโธเราใช้พุโทโธกลับมาที่พุโทโธถ้าเราดูลงก็กลับมาที่ลมหายใจแสดงว่าวเราเผลอแล้วเราไม่ได้อยู่กับนงไม่ได้อยู่กับพุโทโธ คุณมาลีครับกลับเรียนถามพระอาจารย์การที่พระกราบแม่ผิดไหมเจ้าคะเกิดโดยโดยธรรมเนียมธรรมสงฆ์เขาพระนิถอว่าสูงกว่าแม่ถึงแม้จะเป็นลูกแต่พอมาบวชแล้วสูงกว่าพ่อศีลนะผู้ที่บวชนี่มีศีลสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นผู้ที่มีศีลน้อยกว่าต้องให้ของเคารพผู้ที่มีศีลมากกว่าแต่ไม่ใชเป็นพ้อเป็นแม่ก็ตาม คุณสมพรครับน้องกราบขอคำแนะนำเรื่องบารมีสิบจากพระอาจารย์ครับพร้อมการปฏิบัติให้เกิดให้มีบารมีแบบต่างๆครับก็บพูดมาเรงานี้ะนะบารมี1ิคุณไปเปิดดูได้นะคิดว่าไปไปเปิดน้ปเสดีดสดวกว่าดีกว่านะจได้ตอบเรื่องงดีครับคุณคันคันีรัตน์ครับแม่เป็นคนมีความคิดลบพูดขวานผ่าซากติตุเรื่องชอบระบายอารมณ์ใส เราเงียบไม่ตอบโต้ควรทาอย่างไรไม่ให้ทุกข์เพราะรู้สึกว่าตัวเองเก็บกดมากกลัวเป็นซึมเศร้าค่ะที่เราเก็บกดเพราะว่าเราไม่อยากฟังไม่อยากใ ห, ใ, หให้ท่านให้ท่านพูดเรื่อ ง, งามาแบบนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราห้ามท่านไม่ได้ถ้ามันเหมือนเสียงเสียงฟ้ารา้องเสียงฝนตกแต่เราอยู่กับมันได้ เราพยายามสนใจว่าท่านจะพูดอะไรก็เรื่องของท่านไม่เราห้ามท่านไปได้แต่เมื่อเราต้องอยู่กับท่านเ้าก็เอาหูไปน่าตาไปไล่สิก็ทําไปเฉยๆอย่าไปเมียลงที่ท่านพูดกันแล้วคนะ่ะคุณมีนาครับกาเรียนสอบถามค่ะว่าทหารที่ไปออกรบพร้อมสละชีวิตในสงครามหรือมือระเบิดพรีชีพคนกลุ่มนี้ดูเหมือนมีความไม่กลัวตาย ต่างกับความไม่กลัวตายของพระโสดาบันอย่างไรคะก็ก็ต่างกันที่ว่าเขามีเหตุผลของเขาเนี่ยคนที่ไปทําอะไรเขาคิดว่าเขาทาเพื่อสิ่นั้นสิ่นี้มันเป็นปหทหารเขาทำเพื่อป้องกันชาติคนที่ไประเบิดเพลยเชฟว่าทําเพื่ อ, อโรมการณ์ของเขาแต่ว่าโสดาบันนี่ไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเาาําว่าอรัะนณน <laughs> รู้ว่าร่างกายต้องตายห้ามมันไม่ได้จะ ย, ยอมตายแต่ไม่ได้ฆ่าตัวตายไว้ให้มันตายไปโดยธรรมชาติเองคุณอีฟครับกลับเรียนถามอาจารย์ค่ะเวลาที่ต้องทํางานทําให้ไม่สามารถเจริญสติได้ตลอดทั้งวันทําให้เข้าสมาธิยากต้องแก้อย่างไรเจ้าคะก็ก็อหยุดทํางานเลยมันเจริญสติในวันหยุดทํางาน ใวันทํา ง, งานก็จะรักสติได้ให้มีไม่มีสติอยู่งานที่เราทําแต่เราจะได้เพียงครึ่งเดียวง่ายใจที่จดจ่ออยู่ทำงานแต่แต่หยุดความคิดไม่ได้เพราะเราต้องใช้ความคิดคิดอยู่กับเรื่องงานแต่อย่างน้อยใจเราก็ไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันก็ได้ครึ่งหนึ่งได้การจดจ่อแต่มันไม่ได้หยุดความคิดถ้าเราอยากต้องการได้ความจดจ่อและหยุดความคิดเราก็ต้องหยุดทํา ง, งานไม่ทํา ง, งาน เราก็ทำมาปฏิบัติในวันหยุดทํางานคุณวันเพลนครับกาปรียนถามว่าได้น้อมธรรมะมาปฏิบัติฝึกจิตฝึกสติพร้อมทําทานศีลภาวนาดูกายดูจิตเวลาป่วยเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาภาวนาพุโทโธจิตก็ผ่อนคลายรู้สึกว่าร่างกายป่วยแต่ใจไม่ทุกเรียกว่าแยกกายแยกจิตไหมเจ้าคะถ้าใจไม่ทุกข์กับร่างกายก็เรียกว่าแยกกันแยกกันได้ คุณพิมครับการถือศีนั่งสมาธิในวันธรรมดากับวันพระบุญนี้ได้เท่ากันไหมครับเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่วันอิทธิการปฏิบัติเหมือนกินข้าวกินข้าววันนี้กับกินข้าวพรุงนี้ต่างกันไหมอิ่มเหมือนกันหรือเ่าเหมือนกันนะครับคุณพันทิพยครับกาเปียนถามว่าเวลาฝึกนั่งสมาธิตอนแรกหลังก็ตรงนั่งไปสัปพักหลังไม่ตรงแล้วนึกขึ้นได้ก็กลับมานั่งตัวตรงแบบนี้คือปกติไหมครัะ มันคือการนั่งของร่างกายมนันปกติมันนั่งตอนตอน้ตนกระตั้งมันตรงนะต่อไปมันก็อาจจะงอได้ <Okay. S 1> แต่ที่ไม่ ป, ปกติก็คือเราไม่ควรที่จะไปให้ความสําสคัญกับร่างกายพอเราเริ่มภาวนาแล้วเราเริ่มดูลมหายใจด้วยผู้ทรมันอยกไปสนใจกับเรื่องของร่างกายมันจะตรงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเราต้องการไม่ให้ใจกลับมาหาที่ร่างกายให้ใจเข้าไปข้างในด้วยการ ให้อยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจก็ไม่ให้ไปสนใจกับเรื่องถ้าเรากลับมาที่ร่างกายก็มันก็รากลับมาเริ่มต้นใหม่มันก็คำลดออกไปนอกบ้านถ้าพอดีนึกได้ว่าเนื่องปิดไฟเอาคำลดกลับมาปิดไฟได้ก่อนเนี่ยมันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าเราออกนอกบ้านไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจปิดไฟไม่ปิดไฟก็เรื่องของมันนะาไม่กลับมาละ คุณอัญญีครับเรายังต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาอยากพบเจอจะวางอุเบกขาอย่างไรคะจึงจะอยู่อย่างมีความสุขครับต้องสร้างอุเบกขาด้วยการฝึกสมาธิเราวางอุเบกขาไม่ได้เพราะเราไม่มีอุเบกขาจะวางเราต้องสร้าเราต้องสร้างอุเบกขาให้มันขึ้นมาในใจเมื่อเรามีอุเบกขาแล้วเราก็วางอุเบกขาได้น้องฝึกสมาธิให้จิตรวมเป็นกับปัญาสมาธิให้ได้แล้วจะได้อุเบกขา ถ้าต่อไปเราก็จะวางเฉลีกับสิ่งต่างๆได้คุณจัตเจ้าครับคนบูชาทาเวทวสุวรรณมาให้ถ้าเราศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราควรบูชาทาเวทวสุวรรณทุกวันไหมครับก็แล้วแต่เราเรแล้วเราควรทาเราบูชาเพื่ออะไรคือการบูชานี้ก็เป็นการให้ความเคารพที่นะเราบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ย แล้วก็ให้ความเคารพกับพระพุทธเจ้าในการบูชาที่แท้ทรจริงเนพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาก็ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าถ้าเราบูชาเท้าเวาสวรรเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของเท้าเวาสวรรถ้าเราถ้าเราไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตามคําสอนของเท้าเวสวรรเราก็ไม่ต้องปฏิบัติถ้าเรามี ศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราก็ไม่ต้องไปบูชาอย่างอื่นใครก็ให้มาของมาแล้วก็รับเอาไว้แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆไม่ได้คุณพี่ปุ้ยครับเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าตัวพองขยายใหญ่ขึ้นคือจิตละพุงแต่งไปเองหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ <c oughs> วเวราไม่เปลี่ย nữa, <c oughs> นเราตั้การไม่เปลี่ยนครับคุณทพิดาครับกราบขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับ ลบกวนถามพระอาจารย์สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกฝนสมาธิใหม่ๆเราจะรู้สึกอย่างไรและรู้ได้อย่างไรว่าเราทำถูกต้องมันจะแค่สงบนิ่งๆจดจ่อไปที่ที่หนึง่งเห็นสีข า, ขาวๆนิ่งๆอยู่แต่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยถ้านั่งนานก็รู้สึกเบื่อแค่นี้มันถูกต้องหรือไม่คะแล้วทุกๆวันเราควรตั้งเป้าให้สเต็ป ม, มันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะ คือเราไม่ควรที่ให้ความสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่นอนนั่งสมาธิให้เราให้ความสนใจอยู่กับการภาวนาถ้าเราใช้พุทโธให้อ ย, อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆไม่ไม่ว่าจะมีอนะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราพุทโธอยู่ก็อย่าไปสนใจอย่าทิ้งพุทโธถ้าเราดึงลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจอย่าไปอย่าไปทิ้งลมงหายใจไอกว่าจิตจะนิ่งสงบแล้วมันมันปล่อยพุทโธเองโดยอัตโนมัติ แล้วก็อยู่ความว่าไม่มีอะไรให้รับรู้นอกจากความสงบความสุขความเลื่อนถุงใจนี่คือวิธีปฏิบัติ ท, ที่ถูกต้องถ้านั่งไปแล้วยังเห็นโน่นเห็นนี่ย่งนี้ยังไม่ยังไม่ใช่มัไม่ใช่อย่าทิ้งอย่าทิ้งการตาวนาอย่าทิ้งพุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธอย่าทิ้งลมถ้าเราใช้ลมให้อยู่กับลมพุโทโธไปด้วยความมันจะเลื่อมันจะว่างแล้วลมหรืพุทโธมันก็จะหายไดเนะท่านทั้าย คุณศาลินีครับการเรียนถามเจ้าค่ะการฝากใส่บาทกับการแบ่งข้อวสามที่ญาติให้มาไปใส่บาททําถูกหรือไม่คะก็เป็นคือการใส่บาทนี้โดยธรรมเนียมเขาไม่นิยมใสข่ของของเด็ต้องใ ส, ส่ของุพเพราะว่าพระเอาไปหมูต้มเองไม่ได้แต่ในธรรมเนียมสมัยใหม่นในไทนว่าบางวันพระได้อาหารมากเกินไปอาหารุพเพราะอาจารฉันไม่หมด แล้วจะทิ้งปล่าแล่จะเสียของก็เลยถวายของเด็กเข้าสรรให้ท่านแต่ตามพระวินยัยพระรักของเด็กไม่ได้ของเด็กถ้าจะให้พระฉันนี่ต้องฝากลูกศิษย์ไว้นะสั่งแล้วเวลาพระขานอาหารมถุนายนก็าจจะให้ลูกศิษย์ทำอาหารมามงจากของเด็กที่เราฝากไปก็ได้คุณวัลลางครับ การให้อภัยโดยไม่สูงสิงด้วยหรือเรียกไม่พบปากพูดคุยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นได้ไหมเจ้าขาอาจารย์คือไม่เกี่ยวข้ของกับบุคคลที่เราให้อภัยใช่ไหมได้ถ้าเรานอกจากว่าถ้าเรามีความจาเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องเนื่องจากต้องก็ต้องก็ต้องเกี่ยวข้องเช่นบิดามารดาหรือคนที่เราต้องอยู่ด้วยสามีภรรยานี่แม้เราจะให้อภยัยก็แล้วเราต้องอยู่กับเขาเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ แต่ถ้าเราไม่ต้องเกี่ยวข้องได้ก็ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ว่าจําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องของเขาหรือเปล่าถ้าไม่ต้องเกี่ยวข้งองก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องคุณสํารวยครับเรียนถามบ้าอาจารย์ครับพบภูมิสวรรค์มีสามีภรรยาหลายคนได้เขาไม่ต้องถือศีลห้าเลยครับมันต่างกับมนุษย์โลกอย่างไรครับไม่รู้ครัว่าพบภูมิสวรรค์มีภรรยาได้หลายคนเพิ่งได้ยินวันนี้แหละไม่มีหรอก เทวดาก็ต้องถือศีลห้ามีศีลห้านัตมีภริยาคนเดียวมีสามีคนเดียวคุณมนครับสามเดือนก่อนวันพระถือศีลพลาดกินข้าวเพลเพเลและอดอาหารทั้งวันภาวนาสติ ด, ดีมากหลังจากนั้นกินข้าวมือลาหนุทุกวันพระใหญ่แต่จิตใจควบคุมไม่ได้ ดีแบบวันที่ไม่ได้กินข้าวเลยอย่างนี้ผมต้องอดข้าวภาวนาจริงจะดีหรือครับนั่นจะเป็นอย่างนั้นนะเร อ, อยู่เรหมดยูถ้ามันได้คลดีก็การใช้การอดนก็เป็นอุบายอย่างนึ่งคุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องผวังค่ะตอนนี้เวลานั่งแล้วเข้าผวังเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอยู่ในผวัง การนั่งสมาธิแบบให้มีสติแข็งแรงขึ้นอยู่กับการนั่งครั้งและนานๆหรือไม่นะคะไม่สําคัญลนะ่ะสำคัญอยู่ที่ว่ามันสงบหรือไม่สงบถ้ามันสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานหนึ่งถ้ามันไม่สงบหรือไม่จะได้นั่งได้นานมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดผลรอบคนที่เราต้องการก็เกิดความสงบเน้นด้ามพยายามนั่งให้มีสติมากๆนะจิตก็จะสงบแล้วก็มีความสุขมีพลัง คุณส um, ิวะครับก่อนหน้านี้ผมเข้าสมาธิได้ตั้งแต่หูมีเสียงผมเข้าสมาธิไม่ได้ต้องทําอย่างไรครับไม่ทราบเมื่อก่อนนี่คุณเข้าสมาธิได้อย่างไรลองกลับไปทบทวนดูก็กลับเข้าไปเข้าไปในแบบที่คุณเข้าได้สิแบบที่คุณเข้าไม่ได้คุณก็อยากเข้า้ก็อยากใช้แบบนั้นเอาไปทบทวนดูตอนที่คุณเข้าสมาธิได้คุณทําอย่างไรเมื่อกลับกลับไปทําอย่างนั้นใหม่ คุณอีฟครับพ่อาจารย์เจ้าค่ะเพื่อนร่วมงานมักจะชวนเราไปกินไปดื่มหลังเลิกงานแต่เราก็ปฏิเสธทุกครั้งทําให้เพื่อนร่วมงานมองว่าเราเป็นคนไม่คบค้าสมาคมเราจะต้องทําอย่างไรเจ้าค่ะก็ไมนต้องทําอย่างไ ร, รกไ็เราก็ไม่เราก็ไม่ไม่เดี่ยวเขาเราครบเรื่องอื่นได้บอกว่าแต่ถ้าอยากให้เรคบก็เราต้องไปไวัดกันบ้างชวนเข้าไปวาัดบ้างเขาบอกว่าเราชอบคภรอย่าเขาแล้วกันะ คุณชอบอย่างนั้นคุณก็ไปเราไม่ชอบอย่างนั้นเราก็ไปไม่ได้ครับก็อธิบายเขาฟังไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบทําเราไม่ชอบมันก็เลยไปด้วยกัน ไ, ได้นี่คุณตั๊กครับนั่งสมาธิแล้วบริกรรมแล้วฟุ้งซ่านจะทํายังไงให้นั่งแล้วจิตไม่ฟุ้งคะก็ต้องบริกรรมไปหยุก่อมันจะไม่ช่วงยอย่าหยอะบริก ร, รับ มันจะบริการแค่สองสามทีสองสามคำแล้วก็หยุดมันก็ฟุ้งอยู่บางทีต้อบริการเป็นครึ่งชั่วโมงก่อน้วมันจะก่อนจะหายฟุ้งซ่านได้ต้องขยันต้องอดทนาำให้ดีฝึกทำบริกรรมมาไม่ร่วงหน้าก่อนจะดีกว่าแล้วมันจะทําให้ความฟุ้งซ่านมันบาบางลงแล้วพอเวลานั่งมันก็อาจจะหายฟุ้งซ่านได้เร็วถ้าเราบริกรรมอย่างต่อเนื่องคุณคันชิตครับ ขอรับขอเรียนถามพระอาจารย์มีภรรยาสองคนผิดศีลไหมครับก็มันเป็นผิดธรรมเนียมต่เเงนีเทนีของชาวพุทธเราของสังคมเรานี้เรางนี้ยังมีคนเดียวนะมีเดียวภรรยาเดียวถ้ามีสองคนมันก็เป็นเรื่องผิดต่อเทนีไป คุณแบมแบมครับกับไปถามพระอาจารย์ค่ะสังเกตตัวเองว่าเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบเกิดความไม่อยากใจจะทุกข์มากกว่าเวลาอยากได้เป็นเพราะอะไรคะจะแก้อย่างไรคะเพราะสิ่งที่เราไม่อยากได้มั น, ม น, ม น, มนเราเราเราไม่ชอบมันมากมันก็เลยทำให้เราทุกข์มากถ้าเราไม่ชอบมันก็ก็เราไม่ชอบมันน้อยมันก็จะทุกข์น้อยอยู่ที่ความชอบนี่ไม่ชอบของเราถ้าชอบมากก็จะทุกข์มากไม่ชอบมากก็จะทุกข์มาก ถ้าชอบน่าจะไม่ชอบน่นมันจะทุกหน่อยคุณทัศพรรักครับหากเรามีความไม่พอใจต่อคำพูดของผู้อื่นแต่เราไม่ตอบโต้แล้วเดินหนีหรือเอาตัวเองออกจากตรงนั้นไปเสียอย่างนี้ถือว่าเรายังละโทสะไม่ได้หรือไม่เจ้าคะหรือเราต้องนิ่งและทนฟังคำพูดนั้นต่อไปเจ้าคะใช่แสดงว่ า, นะ เ, ราเรายังยับะโทสะไม่ได้เพราะเรายังมีความอยากให้เขาพูดดี พูดในสิ่งที่เราชอบฟังเราก็พูดในสิ่งที่เราไม่ชอบฟังเราก็เลยโกรธขึ้นมาวิธีที่จะกล้าคือเราอย่าไปหวังให้เขาพูดในสิ่งที่เราอยากให้เขาพูดเพราะว่าเราเขาอาจจะไม่ได้สามารถพูดตามที่เราต้องการได้ก็ต้องยินดีตามมีตามเกิดออย่าไปหวังอะไรจากเขาเราจะพูดดีก็ได้คูดถูกใจเราก็ได้พูดถูกใจเราก็ได้ไ ถ้าเราไม่หวังว่าเราก็จะไม่มีโทสะล้วก็จะฝาเฉยๆได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนคุณมาริสาครับใช้การทํางานฝึกสติสมาธิให้ใจจดจ่ออยู่กับการทํางานถือว่าเป็นการฝึกไหมคะก็เป็นการฝึกแบบครึ่งเดียวไงอยู่ใจจดจ่ออยู่ไม่ลอยไปลอยมาแต่ยังต้องคิดอยู่แล้เราต้องเราต้องเจริญสติแบบ แบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดจะยังได้สติสมบูรณ์ไม่ใชทั้งการจดจ่อและทังการระบรับความคิดก็ต้องทําต้องใช้สติกับการทํา ง, งานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นบกวบบ้านถูบ้านซักผ้าทํากับข้าวอะไรเนี้ยมันใช้ความคิดน้อยเรือเดินจงกงเนี้ยมันจะใช้ความคิดน้อยมากแทบจะไม่ต้องคิดเลย คุณธนวัลครับการเลี้ยงดูบุตรจะได้บุญเหมือนกับการเลี้ยงดูพ่อแม่หรือไม่คะไม่หรอกพพ่ อ, พอแม่เนี่ยก็คุณมากกว่าเราโลกไม่มีควาคุณอย่างเราคุณเขียนจีลาครับไม่อยากพบเจอกับคนที่เราไม่ปรารถนาเช่นนี้ถือเป็นความอยากไหมคะแล้วการที่อยากจะเจอแต่คนที่ดีกับเราอยางความอยากนี้เรียกว่ากิเลสหรือเปล่าครัเป็นกิเลสใช่ไหม อยากจะเจรอคนที่เราชอบไม่อยากจะเจอคนที่เราชอบนี้ก็เป็นกิเลสเรียกว่าความว่าตัญหากววราวาาากีวิปปาวาตัญหาความว่าตัญหาก็คืออยากจะเจอในสิ่งที่เราชอบวิปปาวาตัญหาคือไม่ต้องการจะเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบคุณตะวันครับมีญาติคอยสร้างปัญหาให้เรื่องเงินตลอดถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเราหรือว่าเราเป็นหนี้เขาตั้งแต่ชาติที่แล้วพอาะเขาแต่ความทุกข์ใจให้เราครับ ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็จะว่าเขาเป็นกรรมในเวรของเราก็ได้สร้างเรื่องสร้างปัญหาของเรา อ, อยู่เรื่อยๆแล้วเขาเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนบุญเขาก็จะมาทําให้เรามีมีแต่ความสุแขแล้วก็มาทําให้เรามีแต่ความทุกข์ก็ถึงว่าเป็นเป็นยอดจับในเวรแล้วเป็นคู่เวรคู่กลรมกันมาก็ได้คุณเตชินีครับช่วงไหนปฏิบัติมากก็จะทําให้ฝันแม่นแบบนี้ใช้ผลการปฏิบัติด้วยไหมคะ ไม่รู้นะว่าปฏิบัติเราทําให้ฝันแม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ใครได้ยินในตำราไม่เครได้ยินเขาพูดกันแอาจจะเป็นประสบการณ์ของเราเองก็ได้นี่นะคุณวราพรครับถ้าเราตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีลแปดแต่เราทําไม่ได้อย่างนี้บาปไหมครับได้แบาปเราเองแต่ว่าเราเราไม่สามารถทํำตามความตั้งใจของเราได้เราน้มเหลว นเราป็นผู้โน้มเหลวจะตั้งใจทำอะไรก็มักจะลน้มเหลวไม่บาปแต่ไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์จากการตั้งใจของเราคุณสุภาพรรายงานผลนะครับลูกอยู่ขอนแก่นได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ช่องทาง Facebook ลูกได้ฝึกปล่อยวางและห้ามความอยากตามที่พระอาจารย์สอนฝึกภาวนานั่งสมาธิผลที่ได้คือจิตสงบได้พบความสุขที่แท้จริงแล้วมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆกับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ ศาสตร์ทุกหมายพทุกอิทธิพลในชาตินี้เลยนะคุณสุคนครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเรานั่งสมาธินานประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่แผ่เมตตาให้ใครเลยได้ไหมคะก็แผ่ไม่ได้อยู่นะเรา อ, อยู่คนเดียวเราไปแผ่ให้ใครเนะน่ะต้องรอไปแผ่เวลาที่เราเจอกันเวลาเจอใครก็เอาขนมมาฝากเขาเนี่ยก็แผ่เมตตาหรือทักทายเขา สบายดีหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นการแผนเน่เมตตาแต่เวลาเราอยู่คนเดียวเราไม่เราแผ่ไม่ได้เพราะไม่มีคนมารับการแผนเน่เมตตาของเราเราสวดบทแผนเน่เมตตาหน้าแต่ไม่ใช่เป็นการแผนเน่เมตตาการแผ่เมตตาต้องเกิดจากการกระทําไม่ใช่เกิดจากการสวดคุณสิรินครับผ้าจารย์ค้าลูกซื้อสิ่งของเพื่อให้กับลูกๆและเพื่อให้กับพี่ชายแบบนี้คือความอยากแบบไหนคะ ก็เป็นการอยากทาบุญซื้อของให้คนอื่นก็เป็นการทําบุญทําทานก็เป็นไม่ใช่กิเลสแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสถือว่าเป็นธรรมะเป็นมรรคเป็นเครื่องดับกิเลสดับความตนณฑ์ของเราดับความเห็นแก่ตัวของเราพทําทให้เราคิดถึงคนอื่นอยากให้คนอื่นก็มีความสุข คุณแคทครับถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมที่บ้านได้อย่างสงบและไม่ต้องไปวัดฟังธรรมสวดมนต์ทำบุญโดยโอนเงินที่บ้านอย่างนี้ได้บุญเหมือนกันไหมเจ้าคะได้ตอนนี่ไหนก็ได้ถ้าได้ความสงบก็ถือว่าได้บุคุณนัทรมนครับกราบเรียนถามเจ้าคะ่ะถ้าคนใกล้ชิดของเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ยอมฟังไม่ยอมแก้ไขเราใช้ปัญญาคิดว่าดีแล้วเราจะได้ฝึกความอดทนฝึกสติ คิดแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะก็ถูอว่าเรันติว่าเรายังต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่ถ้าทำได้าก็สแสดงว่าเรามีความอดทนอดกลัน้น <c oughs> ก็อาจจะสแสดงว่าเราน่ามีสติมีเวทาขึ้นมาคุณแพทย์ครับทำใจอย่างไรให้ไม่ทุกข์จากเวทนาและเกิดความเกิดคิดมโน ต, ต่าง ๆ, ๆเวลาเจ็บป่วยคะเขาพยายอมรับเวทนาว่ามันเป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาติเมือนดินฟ้าากาศฝนตกแดดออกให้รับหน้าอยู่กับมันได้เพราะเราไปห้ามมันไม่ได้ขณะเวทนาก็เหมือนกันมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างนี้ที่เราต้องอยู่กับมันแล้วห้ามันไม่ได้ น, นถ้าเราหัดทำใจให้อยู่กับมันเฉยๆได้เราก็ไม่ทุกข์กับมันคุณกุ๊กกิ๊กครับ การเรียนขอคำแนะนําวิธีควบคุมความโกรธเจ้าคะ่ะรักโลภหลงยังพอมีสติคิดยังได้แต่พอมีความรู้สึกว่าโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่ยังไม่เคยอยู่สักครั้งเลยเจ้าคะ่ะเราต้องพูดโธไปในเวลาทีเา่เกิดความโกรธขึ้นมาเวลาเกิดความโกรธต้องพูดโทพูดโทพูดโทรเลื่ว น, นดดไปตอนนะีเพเื่อใ ห, เอหเ้เราลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธพอสักพักนึ่งเราก็ลืมเมื่อเราโกรธเมื่อเราคนเราโกรธกับเรื่องอะไร มันก็ทําให้ความโกรธอะไรไปอันนี้คือตอนที่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วอีวิธีหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเลยก็คืออย่าไปอยากให้ได้จดากอย่าไปอยากให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไม่วังอะไรจากคนอื่นง่างี้ใครเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไป <c oughs> อย่างนี้เราก็จะไม่โกรธคุณสีเอชบีครับ ครัอาจารย์คามีผู้แย้งว่าสภาวะนิพพานนั้นคือการทํางานของสมองในขั้นเดลต้าคือนิมิตเรื่องหนึ่งหนึ่งเป็นเหมือนละครที่สมองจํามาเกิดแสงสว่างวัดได้นั่งไปวัดผลชาตินี้ไม่ได้เห็นผิดหนูจะตอบอย่างไรดีคะก็เขาเห็นเขาเขเขาเห็นนิพพานแล้วเ่ี๋ยวเขาต้องอย่าเอานิพพานมาเปร is now is now like ียบเทียบกับการทำงานของสมองเขายังไม่เห็นนิพพานเลยก็คิดปุงแต่งไปตามความคิดของเขาท่านหนึงมโน เป็นจินตนาการนั่ก็ไม่ต้องไปพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วก็จบมาแล้วกันคุณสวัสดิ์ครับแฟนปฏิบัติธรรมอย่างเข่งครับแต่ทำไมเขายังชอบโกรธโมโหอยู่คะยังปฏิบัติไม่ได้ผลถ้าปฏิบัติได้ผลก็จะไม่โกรธ้องเป็นพระอรหันต์นะถึงยังไม่โกรธคุณจินตนาครับ ขอสอบถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิทำไมบางคนพูดว่าถ้าไม่มีคนชี้แนะอาจเสียสติไปได้คือถ้าเห็นสัมะเวสีแล้วอาจกลัวปะพระอาจารย์มีข้อแนะนำสำหรับการนั่งสมาธิเองที่บ้านอย่างไรคะก็ต้องเรียนรู้บ้างว่าเวลานั่งสมาธิเราจะเห็นอะไรจะเจออะไรเมื่อไม่เห็นเมื่อไม่เจออะไรแล้วทหาทภความเข้าใจว่ามันเป็นของเป็นเหมือนภาพเป็นมันเป็นมโนภาพที่ใจเราสร้างขึ้นมาเองมาหอเราเองเท่านี้ ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะไม่เสียสติแต่ถ้าเราไม่เข้าใจหลักนี้เราไปคิดว่าเป็นของจริงมาจากสวรรค์มาจากนรกแล้วก็จะมาทําร้ายเรามาทําลายเราอะไรอย่างนี้อะอย่างนี้มันก็จะทําให้เราเสียสติได้ในตอนที่ฝึกนั่งสมาธิต้องเปฝึกกับคนที่เขาไม่กฎสัพพการแล้วเขาจะได้เล่าให้เราฟังเนั้นถ้าเรามีปัญหาอเราต้องไปถามเราะดังวิธีปฏิบัติการเสี่งนี้ปฏิบัติ แถ้าเราไม่มีใครนัคอยสอนไม่มีใครตอบคาถามเราแล้วเราไปคิดปรุงแต่ดไปเองแล้วก็จะทำให้เราเสียสติได้คุณดวงใจครับพระอาจารย์คะโยมสงสัยคนข้างบ้านโยมนั่งสมาธิแล้วเสียชีวิตพร้อมท่า น, นั่งสมาธิแบบนี้เป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาที่เขาจะตายเขาก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเพื่อทำใจเขาไม่ถึกกับความตายนะั่น คุณสิริประภาครับสวดมนต์ตอนเย็นเชิญเทวดาสวดมนต์ด้วยต้องตั้งนโมก่อนหรือเชิญเทวดาก่อนตั้งนโมคะสวดมนต์ต้องจุดธูปทุกครั้งไหมครับไม่ต้องทั้งหมดเลยสือกก็ได้อย่างเดียวเลยไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นคุณแคทครับโอดเข่านั่งสมาธิบนเก้าอี้ได้ไหมครับได้คุณปุตตี้ครับ กลับเรียนถามเรื่องการทํากรรมดีเพื่อสร้างบา ร, รมีเป็นพระโพธิสัตว์สามารถบรรลุ ป, ปรินิพพานได้หรือไม่เจ้าคะพอดีเพื่อนดิฉันอ่านหนังสือเจอแล้วมีคําถามเจ้าคะ่ะการจะบรรลุนิพพานก็ต้องสร้างความดีสิบชนิดด้วยกันบารมีสิบนี่ก็ทําความดีเหล่านี้ไปน่าก็จะทำให้เราไปถึงพระนิพพานได้คุณพัทระครับ การเรียนถามพระอาจารย์เมื่อเกิดความอยากขึ้นแต่ไม่มีศักยภาพที่จะห้ามมันให้ดับได้เราใช้เพียงการกําหนดรู้และระลึกถึงองค์ศีนหากห้ามความอยากที่เกิดขึ้นได้ไหมครับหรือต้องทําสมาธิอย่างเดียวครับตามหลักการแล้วมันก็ต้องมีสมาธิแล้ทำมีปัญญาด้วยทั้ง2อยา่างถึงจะกําจัดความอยากได้อย่างท้าวอนต้องมีสติแล้วก็หยุดความอยากได้เก็พักๆไปแต่ไม่สามารถหยุดได้อย่างท้าวอ บุญท็อปครับหลังจากที่เราทําบุญแล้วเราส่งความรู้สึกดีๆไปอย่างบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นบิดามารดาภรรยาครูบาอาจารย์จะส่งผลในด้านใดกับบุคคลเหล่านั้นไหมครับมันส่งยากเพราะว่าเขาไม่เขาไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกที่ดีไนดะ้นอกจากการกระทําเช่นนะเอาของไปให้เขานี้ถ้าเรามีความรู้สึกดีมีความสาุอยากจะให้เขามีความสุข เ, เราก็ซื้อของไปให้เขา อันนี้เขาจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ดีของเราได้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเขาไม่รู้เลยไปไหนยิบให้เขาก็าอาจจะไม่ไม่มีน้ําาลพอไม่มีน้ําหนักเท่ากับให้อะไรกับเขาที่เขาอยากได้และเขาต้องการคุณทิติชยาครับอาจารย์เจ้าค้าในเรื่องกิเลสปฏิเสธกิเลสลบกับกิเลสเหมือนทําสงครามหรือจับกิเลสเข้ากองต่างจากยอมรับกิเลสและดูไปควรเป็นแบบไหนเจ้าค้า เราต้องทำจัดกิเลสต้องทําสงครามกับกิเลสต้องทําลายกิเลสต้องฆ่ามันฆ่ากิเลส น, นี้ไม่บ่าปกิเลสขึ้นมาเั๊บต้องใช้สติใช้ปัญญาฆ่ามันให้ได้เพราะมันเป็นข้าศึกศัตรูของจิตใจเรามันเป็นข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับกจิตใจของเราอาจารย์ครับคําว่าจับกิเลสเข้ากรงนี้ยังไงครับหมายความว่นนมาเหมือนนั่งสมาธิไงนั่งสมาธิพอเรา ออกจากมาธิแล้วก็เปิดกองออกมาที่เลยก็ออกมาเพ่งพานตอนั้นต้องใช้ปัญญาคือมีดแทงบันเลยเวลาเอาจากกองมาปั้บใช้ใช้มีดใช้ปัญญาแทงมันให้มันตาย ค, คุณมันฤดีครับพระอาจารย์เจ้าค้าภาวนาบางทีกําหนดพุทโธแต่บางทีจิตไม่สงบเลยเปลี่ยนไปดูลมหายใจบางทีคิดมากเลยปล่อยความคิดให้คิดแต่จิตจะคอยตามความคิด ที่คิดบางทีเปลี่ยนไปเ ป, นเปลี่ยนมาแบบนี้ผิดไหมคะมันไม่สมอกตัองมันไม่ได้คนถ้าไปดูความคิดมันยิ่งคิดใหญ่ควรจะกลับมาที่ลมหายใจถ้าทําได้ถ้าดูลมหายใจไม่ได้ก็ใช้อุบายของการส่วนมลไปก่อนเพื่อให้ใจหยุดคิดให้มันมาสนใจกับการส่วนมลเพียงอย่างเดียวพอมันหยุดคิดได้แเราให้มันดูลมหายใจต่อก็ได้และคิดน้อยลง คุณศรีเอชบีครเรียนถามพระอาจารย์ว่าจําเป็นต้องสมาทานศีลกับลาศีลแปดหรือศีลอุโบสถหรือเปล่าคะตามความจริงเนี่ยพอเราสมาทานผลเดียวก็พอก็คือคำว่าสมาทานก็คือตั้งใจตั้งใจจะรักษาศีลท่ารักษาศีแลแปดพอเราตั้งใจแล้วศีลที่เราทำทําต่อไปก็รักษาเหมือ น, น, นเดิมแต่ทีนี้ถ้าเราไปวัดเขาก็มีธรรมเนียมว่ามาวัด ตอนที่อยู่บ้านอาจจะไม่ได้รักษาศีลศีลอาจจะหายไปหมดแล้วก็ได้ก็ให้มาตั้งตั้งตั้งใหม่มันเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่วัดอยู่บ้านก็ไม่ต้องมาตั้งตั้งตั้งใหม่ที่ตั้งใหม่เพราะว่ามันล้มไปเรื่อยๆตั้งได้วันเดียวก็เลิกแล้วพอกลับมาก็ต้องมาตั้งใหม่มาตั้งใจใหม่ง่ายๆแต่ถ้าเราตั้งใจ แล้วเรารักษาไปตลอดชีวิตก็ไม่ต้องาไม่ต้องมาตั้งอยู่เรื่อยๆ ร, รักษาตลอดชีวิตคุณแรนดอมครับเวลาผมทําสมาธิผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกผมควรทําอย่างไรดีครับเพราะมันเป็นกิเลสเอออยากให้ไปดูเราหายใจส่วนมน์ไปก่อนเพราะกิเลสมา ต, ต่อต้านมากมันเลยทําให้รู้สึกหายใจไม่ออก เวลาเราไปดูหนังฟังเพลงมันหายใจออกสบายสบายคุณสวัสดิ์ครับการถวายข้าวน้ำผลไม้กับพระพุทธรูปมีความจำเป็นไหมคะถ้าเราตั้งไว้บนหิ้งและกราบไหว้เฉยๆถือว่าเป็นการละเลยไหมครับไม่หรอกถ้าเราอยากจะบูชาด้วยสิ่ของก็ดอกไม้ทูกเทียนมปนเคสักการะบูชาพระพุทธรูป แต่การบูชาที่ถูกตัดที่แท้จริงพะุทธเจ้าต้องการให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาปฏิบัติทานศีลภาวนานี่ว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแทิงไม่ต้อมีพระพุทธรูปก็ได้ถ้ามีเล้ก็ต้องมากราบบูชาบูชาพระพุธรูปพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราบูชาพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าต้องการให้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คุณลูกแก้วครับจิตจุดสุดท้ายก่อนจะหมดลมควรตั้งจิตไว้เช่นถ้ายังรู้สึกกลัวและสอมผัสจมูกได้อยู่คือตอนนั้นเราจะไปควบคุมใจไม่ได้เลยราจะไปควตคุมไ่ไดเลราะ้ตอนนี้เมืเ่ไม อ, อ, นนอนนไหร่ทเราไปฝึกช่องก่อนสิ่งที่เราต้องให้จิตตั้งอยู่ในจิตสุดท้ายก็คือความสงบแล ต, ตอนนี้เรายังไม่สงบแล้วเวลาที่เราจะตายมันจะทําให้มันสงบได้อย่างไร แวเราต้องมาฝึกจิตตัง้งแต่ตอนนี้ก่อนซ้ำไม่กี่วัาตอนวันที่เป็นเวลาเป็นจิตสุดท้ายเราทําจิตให้มันนิ่งไม่ได้ถ้าเราทําได้แลวพอถึงเวลาจิตสุดท้ายแล้วก็ทําให้มันนิ่งได้เหมนกับการทําข้อสอบเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วขึ้นไปทําข้อสอบมันก็สอบตกนะถ้าไม่ได้ดูหนังสือเลยเราวเราพยายามดูหนังสือทํากำบ้านอยู่เรื่อยๆจนถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถตอบ คำถามทุกคาถามได้แล้วก็แล้วก็ไปสอบไปอันนี้ก็เหมือ น, นเวลาจิตสุดท้ายก็เป็นเหมือนเวลาทดสอบความสามารถของเราว่าเราจะทำจิตให้สงบได้หรือไม่ถ้าเรายังทำไม่ได้ขณะที่เรายังไม่ไม่ตายเวลาที่เราใกล้ตายลจะเราก็จะทำไม่ได้คุณนาวาครับถ้ามีใครมาว่ามาติก็เฉยได้ค่ะ เวลามีผู้หญิงมาเกี้ยวพาราศีแฟนนี่จะไม่พอใจเกิดความรู้สึกถูกหยาไม่ให้เกียรติทำไมอุบายทําเดียวกันแต่กับอีกสถานการณ์หนึ่งใจวันไหวคะแล้วหนูจะต้องแก้ไขอ ย, ย่างไรถึงจะรักกิเลสให้ใจเฉยได้คะเราไปรักไปหวัวใจเรามากเลยสิเราไม่อยากจะให้ใครมาแตะของเพราะการมาแตะมันเกี่ยวข้ อ, ของเขากลัวว่าเขาจะแย่งอราไปเราก็เลยเราก็เลยโกรธมาก เราต้องปล่อยวางแฟนพิจารณาแฟนว่าเป็นของไม่แน่นอนวันดีกันดีก็าอาจจะไม่ชอบคนอื่นก็ได้แล้วเขาก็จะทิ้งเราอยู่ดีในที่อย่างนี้นะเราก็จะได้สบายใจอ้าใครจะมาเที่ยพาเราเสียแฟนแล้วก็วัดดวงกันก็กันถ้าเราไม่ดีก่อเขาเธอดีกว่าเราก็เอาไปแต่เขาชอบคุ ณ, คณก็คุณก็ไปเข้าไปกับคุณแต่วเขายังชอบเราอยู่เขาก็อยู่ของเรา คุณลักกี้เลิครับคนที่ชอบโกหกบ่อยๆเราจะเปลี่ยนเขาได้ยังไงดีครับไม่ใหญ่เขาผิดศีลบ่อยๆค่ะเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ครับตัวอะไรยังเปลี่ยนตัวอะไรไม่ได้เลยมันจะเปลี่ยนคนอื่นได้ยังไงเราดีทอแล้วเลยเรามีศีลครบแล้วเมัน เ, เปลี่ยนตัวเราก่อนเรองคุณจุไรรัตครับการใส่บาตรหรือการนั่งสมาธิประจำวันการกระทําใดสามารถส่งส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับได้ครับ การใส่บาเนี่มันเป็นการกทำที่ได้ผล ท, ทันทีมันฟาสต์ฟู้ดเลสัว์ปุ๊บได้ปั๊บเลยส่งไปได้เลยแต่การนั่งสมาธินี่บางทีกว่าจะได้ผลอาจจะใช้เวลาเป็นปีก็ได้คนที่จะลองบุญจากเราจากการนั่งสมาธิก็ขอแห้งปากแห้งไปพระเจ้ญญาถึงไม่สอนให้อุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิและรักษาสิ่งให้ทำด้วยการทำทานเพราะมันได้ผลทันที คุณรักครับการรดน้ำมนต์มีในพุทธศาสนาไหมคะตอนที่ศึกษามามันไม่มีนะนอกจากอาจจะมีกรณีพิเศษครับที่เคยได้ยินพระเจ้าเคยเคยทําน้ำมนต์ให้กับเวลาที่มีภัยพิบัติอะไรครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเงนะท่านั้นเองอาจจะทําเพื่อให้กําลังใจชาวบ้านเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วน้ํามนต์มันก็มีแค่น้ํเท่านั้นไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงอะไรไนดะ้ ย, ย, ยังมิภาพลวดมือท่านบอกว่าถ้าน้ำมูลไม่เสร็จแล้วก็เอาภาพไม่นั่งสวดที่ปั๊บป้าเลยไม่ดีเลยก็ส่งท่อไปทุกบ้านเลยทุกบ้านจะได้มีน้ํมนามูลอาบน้ำมูลเดิมจะได้มงคลจะได้ร่ำเรื่อยกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกน้าทั้ก็มดเป็นแค่น้ํำท่านเอง คุณปฏิพัติครับการปฏิบัติตามหลักอายศิกขาจะเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เจริญก้าวหน้าในการประกอบสัมมาชีพไหมครับไม่หรอกมันเป็นการก้าวหน้าทางหน้าจิตใจจิตใจเราจะพัฒนาจากมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพร ะ, ะอริยบุคคลไปพันินพนานส่วนคนไปได้าอาจจะมีการประกอบสัมมาชีพของเราอาจจะดีก็ได้เพราะเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตก็อาจจะมีคนที่เขาจะ เชื่อถือเราแล้วทำธุรกิจกับเราก็ได้ถ้าเราเป็นคนที่หลอกลวงก็อาจจะไม่มีใครมาทำธุรกิจกับเราก็ได้อันนี้ก็เป็นผลข้างเคยียงแต่ผลหลักที่เราปฏิบัติตายเชษาเพื่อ ย, ยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นไปสู่ขั้นพระนิพพานขั้นพระอริยบุตร คุณลูกแก้วครับเข้าสมาธิหลังจากสวดมนต์เสร็จได้สักระยะแล้วรู้สึกตึ่งเผลอเหมือนตัวเองไปพังหะคล้ายกระตุกครึ่งหลับครึ่งรู้สึกตัวแต่ในความรู้สึกตอนนั้นตัวเองขยับปากพูดว่าเข้ามาสิและได้ยินเสียงพูดชัดด้วยแล้วสะดุ้งรู้สึกตัวแรงๆจึงได้ลืมตาเป็นสภาวะอย่างไรแล้วต้องแก้อย่างไรคะแต่ว่าไม่มีสติงไงถ้ามีสติต้องไม่มีอาการอยล่านี้เกิดขึ้น ให้เรามีสติความรมณ์ู้อยู่คอารมเพียงอย่างเดียวถ้าเผยเม่าไหายเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาวะต่างๆนี้ขึ้นมาได้คุณปูเป้ครับบอกว่าน้อมขอบคุณสิ่งที่พระอาจารย์ได้สอนสั่งการทําสมาธิครองสติตลอดเวลาตอนนี้เวลาจะมีการปรุงแต่งให้อารมณ์โกรธน้อยใจเสียใจจะสามารถตามทันอารมณ์ที่จะมาปรุงแต่งทันทีครับน้อมขอบพระคุณพระอาจารย์ครับชีวิตมีความสุขมากครับ จัดะแสดงว่าคนอยู่ในใจแล้วเวลาเกิดความโกรธความอะไรขึ้นมามันจะรู้ทันทีคุณนานีครับพระอาจารย์คะเวลานั่งสมาธิมีความรู้สึกสงบจะเป็นแบบไหนคะคือสมองไม่คิดอะไรหรือคะไม่ใช่สมองสมองไม่สมองคิดไม่ได้ผู้ที่คิดคือสังขารความคิดเปล่แปลงคือจิตจิตจะนิ่เฉยสติว่ารู้เย็นสบายมีความสุข คุณจันยาครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าโดนเอาเปรียบตลอดเวลาจะต้องทําอย่างไรคะเมื่อว่้เาเจอเป็นการทําบุญให้ทานไปให้เข้าไปการเสียเปรียบนี่ได้บุญการได้เปรียบนี่ได้กิเลสเราเอาอย่างไรดีเราเอากิเลสม่เจ้าบุญกิเลส ก, ก็คือความทุกข์บุญก็คือความสุขเครยินหลวงตาสอนบอกว่า ก, า, การ เสียเปียบคือแผ่เมตตาสิ่ต่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ ก, ก็เป็นการให้หให้ความสุขแก่ผู้มีการเสียสละแบ่งปันทานธรรมทานไปคุณสมพรครับนั่งสมาธิจิตสงบพุทโธลมหายลมหายใจหายควรทำอย่างไรต่อคะก็ดูดูต่อไปดูอยู่ที่จุดเดิมรู้ว่าลมหายก็รู้ก็เฉยๆไปเดี๋ยวลมก็กลับมาใหม่ แ้วจินยังไม่สงบ ก, ก็ต้องดูต่อไปคุณจงกล น, นีครับบางครั้งเราทานอาหารไม่หมดแล้วทิ้งไปเป็นบาปไหมครับเพราะแม่สามีบอกว่าอย่าทิ้งเป็นบาปค่ะไม่บาแล้วมันในการทำลายทรัพยากรที่มีค่าไปโดยใช่เหเพราะทรัพยากรหายากของพวกนี้ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อมันต้องไปทางานทาการถ้าเราเราจะใช้แล้วก็ต้องใช้แบบพอให้มันพอดี ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกิไปถ้าเขาเก็บเอาไว้กินต่อมือหน้าอะไรก็ควรจะเก็บเอาไว้จะได้ไม่ต้องมาเสียเงนเพิ่มคุณเข้มจีลาครับการที่เราคิดติเตียนผู้อื่นในใจกับพูดติเตียนออกไม้เขาได้ยินจนเขาไม่พอใจอย่างนี้เรากําลังคิดไม่ดีและพูดไม่ดีทําให้คนฟังเกิดความขุนเคืองใจหรือเปล่าคะก็ใช่เลยเขาพูดไปนะเขาไม่พอใจแลก็ขุนเคืองใจขึ้นมา อย่าไปพูดไม่ดีอย่าไปทำร้าจิตใจเขาด้การพูดไม้ดีพูดในสิ่งที่ดีทำให้เขาเป็นความสุขถ้าอยากจะมีความเมตตาของเขาคุณมันฤทธิ์ดีครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะทําไมเมื่อก่อนไม่ฝึกภาวนาไม่เคยนอนฝันเลยค่ะแต่พอตอนนี้ภาวนาทุกวันฝันทุกวันเลยค่ะและจะตื่นทุกวันเวลาเดียวกันเพื่อมาจัดมาภาวนาโดยไม่ต้องตั้งนาฬิกาค่ะบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า มันจะเป็นจังวะที่มันเป็นไปของมันเองแนทางเรับความเป็นจริงแล้วถ้าภาวนาได้ผลนี่มันจะมาค่อยฝันครับถ้าฝันนี้แสดงว่ายังภาวนาไม่ได้ผลเลยใจยังคิดปุ๊บแต่งอยู่เรื่อยๆคุณแลนดอมทสครับการเรียนถามพระอาจารย์พ่อผมชอบดูพักเครื่องแต่พ่อผมยังคงชอบโกรธง่ายอยูแ่และเวลาพ่อผมโกรธจะรุนแรงมากครับ ผมควรทำอย่างไรดีครับก็อยู่ห่า ง, งาๆเลยอยู่ห่งงางๆอย่าไปอยู่ใกล้เวลาท่านโกรธไปอยู่เพาะท่านเป็นเหมือนไฟอยู่ใกล้เดี๋ยวโดนไฟไหม้เอาได้ครับพอท่านโกรธไปเราห้ามท่านไม่ไเป็นเรื่องของเราคุณเสีัญธิราครับขอคําแนะนําในการทําใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างกระทันหันค่ะพระเจ้าสอนให้เราละลิกอยู่เรื่อยมน เรามีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนจะต้องมีการพัดพากมีการสูญเสียด้วกันทุกคนไม่มีใครยกเว้อัตถาใจยอมรับความเป็นจริงอันนี้หัาใจเราจะไม่ชุกคุณเอสเนียเวลามีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือปลวกขึ้นที่บ้านมีความจำเป็นต้องเบียดเบียนสัตว์เหล่านี้ ก่อให้กดความคืบบันควรหาทางออกอย่างไรดีคะเมื่อปล่อยปวกขึ้นบ้านแล้วย้ายบ้านหนีก็ไม่มีทรัพย์มากอพอที่จะทาแบบนั้ น, นะครับถ้าศึกษามันอาจจะมีวิธีป้องกันมันได้นะเออถ้าไปคน้นหาดูว่าที่มันขึ้นมันขึ้นมาจากที่ตรงไหนแล้วก็ไปสกัดทางขึ้นขึ้นลงของมันก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปทําลายมันเหมือนกับถนมเนี่ย ถ้าเรารู้ว่ามีมีสะพานเราตัดสะพานเสียถนนคนที่สันจรนบนบนถนนนี่ก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ั้นถ้าเราใช้ปัญญาเราอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ว่าพวกมันขึ้นมาอย่างตรงไหนเราก็พยายามกั้นมันไม่ให้มันมันเดินเดินขึ้นลงทางนั้นได้ คุณป๊อปครับทำอย่างไรจะทำให้เจ้ากรรมในเวนหมกไปได้คะก็อย่าทำกรรมเลยนะอย่าไปทำอย่าไปทำบาปหลอกใครอย่าไปทำให้คนอื่นเขาโกรธแล้วต่อไปกรรมเก่าที่เราทำไว้หมดมันคาต่อไปก็จะไม่มีเวนใหม่มามาลาวีเราต่อไปพระเจ้าสามารถเวนย่อมมานับด้วยการไม่จอเลยคุณแบมแบมครับจิตชอบไปติดอยู่ในเรื่องร้ายในอดีตแล้วเกิดความทุกข์ คือมีความอยากเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะควรทำอย่างไรคะควรหยุดความคิดนั่นเสียเวลาเกิดความทุกข์จความคิดนั้นก็ใช้คำบิกรคมพุโทโธพุโทโธคุณพุตตี้ครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าต้องหมั่นทำทานศีลให้ได้ตามลาดับแล้วค่อยเจริญสติเช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมจากนั้นค่อยเจริญปัญญาตามลาดับ สามารถข้ามขั้นตอนได้ไหมคะลบกวนพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะว่าวร่รวคุณเจริญปัญญาค่ะ ก, ก็ทำไปพร้อมๆกันได้เวลาทำบุญเราก็ทำไปเวลาเดินนยินก้มเราก็เดินไปศีลเราก็ลักษาไปเพราะเราได้สามารถทำควบคู่ไปด้วยกันได้คุณใจเย็นๆครับ พระอาจารย์ครับการระลึกถึงพุทธานุสติอยู่นึงๆตลอดทั้งวันมีผลดีผลเสียอย่างไรครับมีผลดีตรงที่ว่าใจเราไม่คิดฟุ้งซ่านใจเราไม่ไปคิดหาเรื่องราวต่างๆมาสร้างความทุกข์ให้กับใจใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสบายใจเราก็จะเบาถ้าเราจเจริญพุทธานุสติได้อย่างทั้งวันคุณฟ้าตรอดไฟครับ เคยนอนสมาธิสักพักรู้สึกเหมือนตัวลอยขึ้นไปเหมือนวิญญาณจะออกจากร่างกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นคะมันเป็นความรู้สึกความคิดตังแต่งใจเราคิดไปตัวแต่งไปคุณปฏิพัทธ์ครับเมื่อ ว, วานเป็นวันคล้ายวันเกิดได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์และรับฟังธรรมเรื่องสาเหตุของการเกิดและวิธีปฏิบัติเพื่อจะไม่ต้องมาเกิดกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรครับ มันด้เกิดมาเพื่ออะไรถูก ม, มันเข้าให้มันเกิดเนี่ยถูกความอยากมันกข้าให้เรามาเกิดขึ้นเพราะความอยากยังอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องหารูปเสียงกีดลนมาเสอยู่ือใจนี้มันเหมือนคนติดยาเสพติดง่ายๆติดรูปเสียงกีดลผในผลทัพใจก็เลยต้องไปหารูปเสียงกิดล้นวิทยาศาสตด้านรูปเสียงกีดล้นต้องมีร่างกายต้องมาเกิดในร่างกาย คำนัสุดท้ายพระอาจารย์มณิชย์ครบรอบไปครบเลยครับคุณขวัญบรราครับเคยป่วยหนักและเจ็บปวดมากจนทนไม่ได้แล้วมีเสียงหมาหอนยิ่งภาวนายิ่งเจ็บปวดเปลี่ยนมาสวดมนต์ก็สวดวนไปวนมาจนสุดท้ายเจ็บจนทนไม่ไหวจนคิดว่าความตายเป็นแบบนี้เองเท่านั้นความเจ็บปวดทั้งหมดและความกลัวก็หายไปทันทีและตัวก็เบาๆลอยๆอยู่อย่างนั้นอย่างนี้คือจิตกับกายแยกจากกันใช่ไหมคะ ใช่การใจจิตสงบจิตเมตถูกก็จิตก็ปล่อยวางกายได้ยอมรับความจริงได้ว่าในที่สุดก็ต้องตายพยายามรับความตายได้จิตก็หายทุกวันนี้วันนี้หมดคำถามพอดีเลยครับพระอาจารย์ครับเขากับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ใน f a c e b o o เจ็ดร้อยสสิบคนใน y o u ู u เจ็ดร้อยคนในครับเฮาสองสิบห้าคน วันนี้มีเพื่อนเพื่อฟังธรรมด้วยกัน 1,465 ี่สห้าคนครับอาจารย์ครับยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมน้องว่าคงนด้รับประโยชน์ไมนาก็น้อยและนำไปเพื่อเจริญเพื่อเพื่อการปฏิบัติที่จะเจริญเ้าหน้าต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอขอให้ท่านทงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความเสร็จความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเทอทูนะก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอในที่นี้ถ้าไม่มีเหตุการ์ดข้านใดก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าชื่นเกยขออนุโมทนาความเจริญพรคราบขอบคุณพระอาจารย์ครับ